อาจารย์ครับกาลนวัตการมครับผมยรินพรคุณหมอและท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านครับอาจารย์ครับวันนี้เป็นการจัดรายการวิสัชนาธรรมครั้งที่หนึ่งร้อยสาสิบเก้าครับอาจารย์ครับข อ, อก า, การก่อนเข้ารายการพระอาจารย์วันนี้บินถมาต์คนเยอะไหมครับเกินสี่ร้อยไหมครับเกินวันนี้สี่ร้อยหกสิบเจ็ดโอ้โหแล้วก็มีทางบ้านเด็กร้อยห้าสิบสี่ทางบ้า น, น, นสั่งทางโทรศัพท์สั่งทา ง, ทาง ให้แม่ค้าทําทําให้ถวายให้แทนโอ้ร้อยห้าสิบสี่คนโอ้โหนี่เป็นถาที่เป็นแบบเป็นถาดก็มีแล้วเป็นแบบเป็นชุดก็มีโอ้ครับถามแม่ค้าว่าดูว่าแม่ค้าวันนี้มีคนฝากทำบุญเท่าไหร่มีสองเจ้าเจ้าหนึ่งก็สูงกันเจ็ดสิบแปดอีกเจ้าเจ็ดสิบหกยังไงเนี่ยร้อยห้าสิบสี่ ครับพระอาจารย์ครับอ๋อน้อโมโอษนาผู้ทําบุญได้ได้บุญเต็มไปหมดเลยนะครับพระอาจารย์ครับทำไยนี้ไม่ต้องมาทําเองก็ได้เาเวลาถวายของก็ก็ถ่ายรูไปไว้แล้วก็ส่งไปทางให้เขารับนว้นี่ด้วยในถวายของเรียบร้อยแล้นะครับผมยุคใหม่ยกสมัยใหม่เยอโลกไร้พรมแดนครับพระอาจารย์ไม่ต้องเดินทางมาด้วยครับอันน <laughs> ี้ ก็รวมกันโอ้โหก็เกือบเจ็ดเจ็ดร้อยคนนะคะอาจารย์ได้ใส่บาทครั้งหนึ่งวันหนึ่งวันนี้เฉพาะวันอาทิตย์คนเยอะเสาร์อาทิตย์กับวันพระนี้จะเป็นวันที่คนเยอะหน่อยถ้าวันธรรมดาก็ที่ใส่กันก็สองร้อยกว่าแล้วทางบ้านี ก, ก็ประมาณร้อยกว่าเมื่อวานร้อยเศษๆไดค้ครับผมรครับผมอาจารย์ครับวันนี้ตั้งชื่อหัวข้อทําใดทําให้ใจไม่สงบครับก็ ความสงบเป็นยอดปรารถนาของพวกเราทุกคนครับแต่มันก็มีเครื่องที่ทําให้เราไม่สงบอยู่เรื่อยก็เลยขอโอกาสพระอาจารย์ครับชี้แจงถึงธรรมนั้นด้วยครับอาจารย์ขอความเมตตาครับตัวที่ทําให้ใจเราไม่สงบก็คือกิเลสตัณหาเนี่ยความโลบโกรธหลงและความอยากต่งตงางๆพอเกิดความโลบเกิดความอยากขึ้นมามันก็อยู่ไม่เป็นสุขนะ<ม>อยู่เฉยๆไม่ไดนะ้ต้องไปหาสิ่งที่อยากได้เป็นเป็นเหมือนติดยาเสพติดนะ พวกเราเด็ดลูกเด็ดรถติดไปนู่นมานี่ติดอะไรต่างๆอยู่ให้อยู่เฉยๆไม่ได้ลอง้องบังคับตัวเองให้นั่งอยู่ก็ยี่เฉยๆแค่วโมงไม่ต้องทำอะไรไม่ไม่จะตายให้ได้ซึ่งความจริงนั่งเฉยๆมันน่าจะสบายนะใช่ไหมหลังจากวันไหนทํางานเครียดต่างๆนี่ขอให้นั่งเฉยๆก็มีความสุขแล้วตอนนั้นมันเหนื่อยแล้วมันความอยากหมดแล้ มันร่างกายมันหมดแรงอยากจะพักผ่อมันถึงจะพักได้แต่ถ้าร่างกายแข็งแรงนี่ความอยากมันจะคอยดันให้ไปท ำ, ทำนู่นทำนี่อยู่ด้วยเพราะฉะนั้นเป้าหมายของการปฏิบัติธรรมก็คือชําระกิเลสตัณหาให้หมดไปจากใจชําระความโลภ ก, กดหลงชลําระความอยากต่างๆอยากเสียรูปเสียงกลิ่นลดอยากมีอยากเป็นอยากไม่มีอยากไม่เป็นของพวกนี้มันเป็นตัวที่ทําให้ใจ ไม่สมบทำให้ใจไม่นิ่งอยู่ไม่เป็นสุขวิธีที่เราจะกำจัดก็มีสองขั้นด้วยกันขั้นแรกก็คือขั้ขนสติต้องใช้สติเป็นผู้หยุดหยุดความคิดได้หยุดทำจิตให้นิ่งได้ความอยากก็ทำงานไม่ได้เพราะความอยากนี่ต้องใช้ต้องใช้ความคิดเป็นเครื่องมือ ถ้าไม่ได้คิดถึงอะไรมันก็ไม่รู้จะไปอยากอะไรแต่พอคิดถึงของอย่างใดหนึ่งก็อยากได้ขึ้นมาแล้ว อ, อยากจะไปเจออยากจะไปทําอะไรกับมัน mm hmm. อ่าเ mm hmm. อีเมืองต้านนี้เราต้องการสกัดหยุดความอยากด้วยการใช้สติ mm hmm. เพราะว่าเรา mm hmm. เพราะว่าไม่มีอะไรจะหยุดความอยากได้นอกจากสติเนี่ยอ mm hmm. ัญญาานี่ก็หยุดไม่ได้ อัญญาเพียงแต่บอกเหตุผลว่าทำไมเราไม่ควรทำตามความอยากเพราะมันจะนำไปสู่ความทุกข์อันนั้นเป็นขั้นที่สองขั้นแรกต้องฝึกสติให้หยุดความคิดให้ได้นั่งสมาธิให้จิตนิ่งสงบเข้าเข้าอุปเข้าอัปปนาสมาธิจิตนิ่งสัคตะาวะาู้มีอารมณ์เดียวคือเอขักรตาอรมณ์สัคตะวะรูะ้แล้วก็มีความสุขที่เกิดจากความสงบ อ น, นั้นอะจิตอยู่เป็นสุขแล้วเพียงแต่ว่ามันอยู่เป็นสุขไม่ได้ไม่นานเพราะกำลังของสติมันก็จะหมดพอพหมดกำลังของสติกิเลสความอยากความโลภมันก็ดันใจให้ออกมามาคิดมาปรุงมาแต่งมาทําอะไรตามความอยากต่อไปแต่ถ้าถ้าเราได้ขั้นสติแล้วเรามีเครื่องมือที่จะหยุดความคิดหยุดความอยากได้ถึงแม้ว่ามันจะเป็นการหยุดอย่างชั่วคราวะ เราก็สามารถหยุดเปนได้ถ้าเรายังไม่มีปัญญาเสมเราอยากอยากอยากทํานู่นทํานี่แล้วใจเราวุ่นวายถ้าเรารู้ว่าเราไม่ต้องการความวุ่นวายเราก็ใช้สติพุโทโธพุธโทโธหรือบังคับให้จิตหยุดคิดให้เข้าสมาธิไปมันก็จะความวุ่นวายใจไม่สบายใจก็จะหายไปชั่วคราวแต่พอออกมาใหม่มันก็ยังอยากจะไปทําสิ่งที่ที่อยากอยู่นั้น เมื่อมันยังไม่เห็นเหตุผลว่าทำไมไม่ควรไปทำอันตอนนั้นน่ะถ้าเราอยากจะหยุดกําจัดความโลภความอยากอย่างถาวรเราต้องสอนมันให้รู้ว่าสิ่งที่เราไปอยากได้นะมันเป็นอันที่จังไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์เพราะว่าได้มาแล้วเดี๋ยวมันก็หมดไปหรือมันก็เปลี่ยนไปเปวลามันเปลี่ยนไปมันก็กลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาได้ได้คนได้คนที่เราคิดว่าเขารักเรา เวลามาใหม่ๆเขาก็รักเราแอยู่เปน็นนานๆเขาเขาเกิดเปลี่ยนใจไม่รักเราขึ้มความสุขที่ได้จากเขาก็กลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาเราต้องอันนี้ขั้นปัญญาต้องสอนใจให้เห็นว่าทุกอย่างไม่แน่นอนไม่มีอะไรแน่นอนไม่สามารถให้ความสุขอย่างตลอดตั้งแต่ต้นจนจบได้มันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงไม่ช้าก็เร็วมีเกิดแล้วบางทีก็ต้องมีดับ วิจารณ์นะก็ต้องมีการเสื่อมเป็นธรรมดามันเป็นอนัตตาเราควบคุมบังคับไม่ได้สั่งให้มันไม่เสื่อมไม่ได้สั่งให้มันไม่เปลี่ยนแปลงไม่ได้สั่งให้มันแน่นอนไม่ได้นี่คือเพราะมันเป็นมันเป็นธรรมชาติมันไม่ใช่เป็นตัวเราของเราเราไปตัวเอาเองว่ามันเป็นตัวเราของเราเราก็จะไปคิดว่าไปสั่งมันได้พอถึงเวลาจริงๆก็สั่งมันไม่ได้ เรื่องร่างกายของเราเนี่ยสั่งให้มันไม่แก่ก็ไม่ได้สั่งให้มันไม่เจ็บไขยได้ป่วยก็ไม่ได้สั่งว่าไม่ไม่ตายก็ไม่ได้ถึงเวลามันจะป่วยมันจะเจ็บมันมันจะตายก็มันก็เป็นไปตามเรื่องของมันแต่ถ้าเราไม่ไปอยากให้มันไม่ป่วยไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเราก็จะไม่ทุกข์ความทุกข์เกิดจากความอยากนี้เท่านั้นเองถ้าเป็นไปได้คราวต่อไปก็อย่าไปมีร่างกายเลยดีกว่า พอมีแล้วก็ต้องเจอปัญหาเดิมเกิดแล้วก็ต้องแก่เจ็บตายนี่ก็ต้องหยุดความอยากที่พายเรามาเกิดก็คือความอยากใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือในการหาความสุขหารูปเสียงกลิ่นรัต่างๆหาโล ก, กธรรมลาบยศสารเสริญหารูปเสียงกลิ่น ร, รัดปุตตะพระมาเสกมาให้ความสุขแต่ของมุนนี่มันเป็นของชั่วคร่าวมันเป็นของที่ไม่แน่นอน มันมีการเปลี่ยนได้มีการเสื่อมได้มีการหมดได้พอมันเสื่อมมันเปลี่ยนมันหมดก็ทําให้เราไม่มีอะไรไม่ไม่มีอะไรให้ความสุขกับเราเราก็รู้สึกเคว้งความอ้างว้างเปล่าเปี่ยวเดียวดายเศร้าเศร้าโศกเสียใจเวลาสูญเสีย ส, ส, สิ่งที่เรารักเราชอบไปเพราะเขาไม่เที่ยงเราไม่สามารถทําให้เขาเที่ยงให้เราอยู่กับเราได้ นี่คือปัญญาต้องเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันเป็นอย่างนี้ไม่ว่าจะเป็นโลกการการประพบรูปประพบอรูปประพบก็เหมือนกันเป็นของชั่วคราวการกามคุณคห้า ก, ก็เป็นของชั่วคราวรูปประชันก็เป็นของชั่วคราวอรูปประชันก็เป็นของชั่วคราวถ้าเราไปอาศัยสิ่งเหล่า น, นี้ให้ความสุขกับเราเราก็จะต้องเจอลความทุกเวลาที่มันเสื่อมเราก็ต้องตัดให้หมด ถ้าเรามีสติเราก็จะหยุดความอยากเหล่าออนี้ได้เพราะเราฝึกสติมาจนสามารถทําจิตให้นิ่งได้พอจิตนื่ง ใ, ใจในความทุกข์ควา ม, ม, มรุนแรงใจต่างๆก็หายไปจิตก็สงบสบายไม่ต้องเข้าสมาธิก็ได้ถ้าหยุดความอยากได้จิตมันก็สงบเหมือนกับตอนที่เข้าสมาธิยันพอถึงขั้นปัญญาแล้วก็คอยสอนสองดูว่า เกิดความอยากขึ้นมาหลายก็ต้องคอยหยุดมันทันทีพิจารณาสิ่งที่มันอยากว่ามันเป็นตายรับ่ิจานเราอยู่ขั้นการยุติการม์การมคุณห้าเราก็ต้องเวลาเกิดความอยากใ น, นกามคุณห้าเราก็ต้องหยุดมันเห็นพ่าเห็นว่ามันเป็นทุกข์ไปยุ่งไปเสพไปเอามาแล้วมันจะทำให้เราเศร้าสศกเสียใจในภายเลังพอผ่านขั้นการกาม การไปนั่นก็ไปเจอขั้นรูปประชานะรูปประชานที่เราใช้เป็นเครื่องมือในการละกลามเราก็จะไปติดกับความสมบของรูปปัจานรูปประชานเราก็ต้องเลิกมันไม่ต้องไปอาศัยมันขอให้เราไม่มีความอยากสัอย่างแล้วใจก็สงบเหมือนอยู่ในรูปประชานะรูปปัจจาก็ต้องใช้ปัญญาขั้นที่สอง ถึงจะกำจัดได้อย่างทาว อ, อนขั้นสตินี้หยุดมันได้เป็นพักๆพกอสติอ่อนกำลังลงพอเราไม่เราไม่เจริญสติปล่อยให้ใจคิดปุงแตกเดี๋ยวมันก็เพ้อไปไปโงไปรักไปชอบไปทางไปอะไรต่างๆไะอยาก อาจารย์ครับแล้วเวลาที่เราปฏิบัติจริงๆเนียครับเขาก็จะบางคนก็จะบ่นว่ามีความฟุ้งซ่านบ้างบางคนก็ง่วงนอนบ้างอันนั้นก็เป็นเหตุให้ทําให้ความสงบเกิดขึ้นได้ยากเหมือนกันใช่ไหมครับอาจารย์ตอนนี้เขาเรียกว่านิวรมันก็เป็นกิเลสเหมือนกันนะกิเลสมันชอบความสบายมันชอบนอนมากกว่าแล้วยิ่งให้มันทำอะไรที่มันไม่ชอบมันก็จะหาหาช่องชช่่อองงหลบให้ได้อก็อยาก แล้วส่วนหนก่งอยู่ที่การรับประทานอาหารของเรามากเกินไปนักปฏิบัติเลยต้องรู้จักการบริโภครู้จักประมาณในการบริโภคอาหารพุทธเจ้าสอนให้ถือทุดงกระวัตฉันวันละเมอเมือเดียวฉันวันหนึ่งครั้งเดียวก็พอสำหรับการนี้ดูร่างกายร่างกายได้อาหารพอเพียงถ้าเรารับประทานเต็มที่นะแล้วหลังจากนั้นสัก หลังจากที่ร่างกายได้ย่อยอาหารในวันนีนะ้อาการง่วงเหงามันก็จะหมดไปสองสามชั่วโมงหน้าก็อาจจะง่วงบ้างช่วงนั้นเราก็ไม่นั่งสมาธิเราก็ต้องเดิจนจงกรมแทนออาจารย์ครับแลวดด้วคลรวะโดยส่วนใหญ่ก็ยังมีโลกธรรมอยู่ครับทั้งฝ่ายดีฝ่ายไม่ดีอย่างนี้เราจะปฏิบัติต่อเขายังไงบ้างครับอย่างเรามีล<ห>า บ, าบมีลาบก็มีใช้อยู่มีสุขมีสรรเสริญอยู่อย่างนี้ กเพราะวาเรายังเรายังอาศัยมันอยู่เราก็ต้องใช้มั น, นถ้าเรารู้ว่ามันเป็นยาพิษเนี่ยเราจะไปใช้มันไหม<ช>เราเรายังมองไม่เห็นว่ามันเป็นทุกข์เนี่ยเราเห็นว่าเราเห็นแต่ส่วนที่ดีของมันเวลาเราได้เงินเดือนใครให้เงินได้ท้องได้ลาบมาเราก็ดีใจกันมีความสุขเพราะเรามีเงินที่จะไปซื้อน่ซื้อนี่ซื้อความสุขชนิดต่างๆได้ แต่เราไม่เคยคิดว่าถ้าเกิดเงินหมดแล้วเราหาใหม่ไม่ได้เราจะทํำยังไงเราลองหยุดหาเงินอยู่สิฮะไม่ต้องหาอ่ถ้าถ้าคุณหมอบอกว่าตอนนี้เรายังเกี่ยวข้องกับลาบยึดมันมาเองก็ปล่อยมันมาเองดูสิแต่เราไม่ทั้งวิวิ่ขามันดูเลยเราดูเสีว่าไอเงินที่มันหามานี้มันมาหาเรานี้มันจะหมดไหมหมดถ้าเราไม่ยุ่งกับมันมันก็ไม่หมดมันมาเท่าไหร่เราก็ไม่แตะมันมันก็ไม่หมด ใช่ไหมอย่างพระพุทธเจ้าผ้าหลานถ้าไม่แตกเงินทองมาท่านก็รับไว้เพื่อฉลองศรัทธาถ้่ท่านไม่เอาไปใช้เองเพราะท่านไม่มีท่าไม่มีความจำเป็นจะต้องใช้เงินท่าน ม, มีความสุขมากกว่าความสุขที่ได้จากการใช้เงินทองท่านก็ไปทําประโยชน์ให้กับโลกน้องตาท่านก็สมคบโลกใช่ไหมเอาเงินเข้าขังกี่ทองคํากี่ตันเงินเกี่ยอิริาน ถ้าไม่ได้เอาไปใช้ส่วนตัวสักบาทเดียวอันนี้ก็ต้องทําแบบนี้ถ้าคุณหมอบอกยังเกี่ยวข้องกับโลคกับทำอยู่เงินมาก็รับไว้แต่ไม่ได้เก็บไว้ใช้เองรับมาแล้วก็เอาไปทําให้คนอื่นใช้ไป้ธ่าการแห่งประเทศไทยเอาไปใช้ซําไม่เงินจกล่อมยศท่านรับมานั้นท่านก็ไม่ได้ไปแสดงโอ้อวดว่าฉันเป็นนายนนั้นยนนี้่มาแล้วท่านก็รับไว้แล้วก็ ก็ปล่อยมันไว้เพราะว่าพระปฏิบัติก็ไม่ต้องเข้าไม่มีสังคมไม่ต้องเข้าไปกิจรับกิจนิมนต์นามสถานที่ต่างๆที่ต้องใช้พันยศกันไปอวดกันว่าเราอยู่ในชั้นไหนกันะ <Okay. S 1> แล้วก็รับไว้เพื่อเพื่อฉลองศรัทธาผู้ให้ผู้ให้เขาก็มีศรัทธาอ ย, อยากจะให้ก็รับไว้รับเสร็จแล้วก็เอาไปตั้งไว้ในตู้ในบนสารานแล้วต้ไม่กล้งมาใช้นั่ไหม สาเสวนใครจะยงยองยอนยอนท่านท่งนก็รับฟังไว้ท่นใครจนาท่านท่านก็รับฟังไว้ท่านก็ไม่ได้มีดีออกดีใจอะเสียใจรูปเสียงกินนั้นท่านก็เห็นทุกวันเนี่ยนอนบินตะบาลก็เห็นลูกเสียงกินแล้วแต่ใจท่านไม่มีอารมณ์กับสิ่งเหล่านั้นเห็นก็สักแต่ว่าเห็นได้ยินก็สักแต่ว่าได้ยินไม่มีความโลภความอยากที่จะไปเสกมันแะ่ยังต้องสัมผัสมันอยู่ว่าเรายู่ยังอยู่ในโลกธรรม ท่านบอกว่าใจของผู้ที่ละโลกธรรมได้แล้วก็เป็นเหมือนกับหยดน้ําบนใบบัวใจเป็นเหมือนใบบัวส่วนหยดน้ํานี่เป็นเหมือนโลกธรรมเลยหยดน้ํามันมาสัมผัสกับใบบัวมันไม่เชื่อมเข้าหากันใช่ไหมมันไม่แต่ใจของผู้ที่ยังมีโลกกฎหนองอยู่นี่เป็นเหมือนกระดาษซับกระดาษซึมลาหยดน้ําลงไปสักหยดเนึ่งมันมูดเข้าไปอย่าง เวลาได้อะไรมาก็ดีใจสุดๆเนี่ยได้นับรู้สั่นนั่นเสียงมาก็ดีใจสุดๆมเวลาเสียไปก็เสียใจสุดๆร้องห้องไห้เป็นเพลินเป็นไฟนั่นแหละคือใจของผู้ที่ยังไม่ได้ละโลกธรรมอย่างแท้จริงละอย่างแท้จริงแล้วจะเฉยๆศักด์ว่ารู้ไปได้มาก็รู้ว่ามาเสียมาไปก็รู้ว่าเสียไปได้รศมากก็รับ ก็รู้ไปถ้าเกิดเขาจะทวงเอกินก็ให้เขาไปนะครับอย่างนี้ก็ทําให้ใจสงบได้เลยเหมือนกันนะครับอย่างนี้ใเราไม่ไปกังวลอย่างเงี้ยแต่ถ้าเรายังยึดติด ก, กับมันอยู่เนี่ยเวลาได้มาก็ห่วงเงี้ยห่วงไม่อยากให้มันสูญหายไม่อยากให้มันหมดแต่มันก็ห้ามไม่ได้ธรรมชาติของเวลาถึงเวลาที่มันจะเสือ่อมเวลามันจะหมดมันก็หมด ขอบพระคุณพระอาจารย์ครับวันนี้ได้เทคนิคทําให้ใจสงบหลายอย่างก็ต้องละโลกกลน่นลงนะแล้ววิทยาละก็ต้องเริ่มต้นที่สติก่อนเพราะสติเป็นตัวหยุดความคิดเมื่อหยุดความคิดวควลกกล น, นั้นคืหยุดคามโรคก่อนลงได้เพียงแต่ว่าทําลายมันไม่ได้เป็นแต่ไปียต่อไว้ที่จะทําอะไรมันต้องมีทั้งเหตุผลเพราะความโลคความก่อนนี้เกิดจากความหลงหลงไม่คิดว่ามันเป็นของที่น่ารักน่า ย, ยินดี แต่ว่าเห็นแล้วมันเป็นมันเป็นกองทุกมั น, น, ม, นมันเป็นของไม่เที่ยงไม่แน่นอนถ้าเราควบคุมมังคข้าไม่ได้พอเห็นด้วยเหตุผลแล้วมันก็จะเลิกลกันเลิกบบท้าวรเลยผมจะนัด น, น้ำหน่อยนะหมาที่เขาทำน้องครับครับพอาจารย์ <c oughs> ครับกลับกับคุณพระอาจารย์ครับจากขอโอกาสถามคาถามจากเพื่อนเพื่อนเอนบ้าง น, นะครับจากคุณพระชลวัตรครับ การของข้อครับลูกได้นําข้อธรรมที่องค์ท่านแสดงมาแล้วเรื่องคนต่อกรมามีคู่แฝดก็จิตกับกายแล้วนํามาคิดมันรู้สึกพบทางออกครับและจะนํามาเจริญภาวนาบ่อยๆครับอืมฟังทำไปเรื่อยๆมันจะเข้าใจขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆส่วนหนึ่งที่เป็นปัญหาคือศัพท์ที่เราใช้กันมันอาจจะมันเป็นศัพท์ตัวเดียวกันแต่ความหมายคนพูดกับคนฟังมันคนละตัวกันนะ่ะ สติกับสมาธิเนี่ยส่วนใหญ่จะสับสนกันตัวไหนเป็นตัวไหนกันแน่แต่ถ้าฟังบ่อยๆแล้วก็จะรู้สติเป็นเหตุสมาธิเป็นผลแต่ทางโลกเราจะใช้คําว่าสมาธิแทนสติวันนี้ไม่มีสมาธิในการทํางานเลยเนี่ยใช่ไห ม, มจริงๆมันหมายถึงสติไม่มีสติในการทํางานเลยถ้าเป็นสมาธิจริงๆมันต้องจิต น, นิ่งเป็นไอ้ขั้กตาลมเป็นอัปปนาสมาธิปล่อยวาง เป็นคนละอย่างกันตฟังๆบ่อยๆแล้วถึงจะเข้าใจความหมายของธรรมที่ได้ยินคุณแว่นครับพระพุทธเจ้าบรรลุนิพพานด้วยอาณาปานาสติหรือเจริญปัญญาธรรมานุปัสสนาสติครับอ๋อต้องต้องเจริญเบื้องต้นคืเจริญสติแล้วแล้วก็ต่อไปก็ทำอาณาปานาสติให้ได้สมาธิ มันจะได้สมาธิก็้อเจริญปัญญาทั้งต้องต้องปัญญาคือต้องเห็นตายรักในร่างกายในเวทนาในจิตนะซึ่งเป็นธรรมจะถือว่าเป็นธรรมานุปัสสนาก็ได้การพิจารณาร่างกายก็เป็นธรรมานุปัสสนาอย่างหนึ่งพิจารณาเวทนาก็เป็นธรรมานุปัสสนาอย่างหนึ่งพิจารณาจิตก็เป็นธรรมานุปัสสนาสติอย่างหนึ่ง คุณวันนิมนครับปัญหาคือเวลาพิจารณาอสุภะทั่วพร้อมแล้วเลยมองเห็นทุกคนเป็นอสุภะไปหมดเลยค่ะทําให้เกิดสังเวทํายังไงดีครับพระอาจารย์ก็ดีเห็นเราจะได้ไม่ไปยุ่งกับใครไม่ไมมีแฟนไม่มีไม่ถึง ม, มีคู่รักไม่ต้องไปหึงเหนื่หวงใครอยู่สบายไม่จะมีปัญหาเลยไม่ทราบปัญหามันอยู่ตรงไหน ปัญหาคือกิเลมันยังมันมันยังมันยังต้านอยู่มันยังอยากจะมีคู่ครองอยู่พอไปให้เห็นว่าคู่ครองนี่เป็นอสุภะมันก็เลยงงว่าจะเอางไงดีฝ่ายหนึ่งก็บอกอยากจะมีคู่ครองอีฝ่ายหนึ่งก็บอกว่ามันเป็นอสุภะเนะเป็นสรากศพทํางานยังจะไม่ได้ข้อสรุปต้องลองสรุปโยเจ้าวยังไงดียาวกิเลยาวคู่ครองเอาคู่ครองก็ต้องทุกกับเขาเพราะเขาเป็นของไม่เที่ยง ถ้าไม่อยากจะทุกข์กับเขาก็อยา่าไปเอาเขาพลัดท่านครับเวลาที่พระปฏิบัติเจริญอสุภะมากๆจนเห็นเป็นอสุภะหมดนี้ท่านไม่ได้สะอิดสะเอียนยอดโยมอะไรใช่ไหมครับาอาจารย์ก็อยู่ว่าท่านมีสมาธิแล้วไม่มีสมาธิที่พิจารณาแลา้วกิดอาการปฏิยามต่างๆนี้ก็เป็นเพราะยังไม่มีสมาธิจิตยังไม่มีเบิกขาท่านหนึ่งไม่แนะนําให้ไปพิจารณาทํา ก่อนที่มีสมาธิไงบอกให้มาฝึกซฝึกสมาธิก่อนแล้วสมาธิที่ได้ฝึกดีแล้วจะสนับสนุนปัญญาในการพิจารณาธรรมโดยที่จะไม่มีความรู้สึกอารมณ์เศร้าหมองหรืออารมณ์อารมณ์ไม่ดีต่างๆมันจะจะเฉยๆมันจะดูความจริงแล้วก็รู้สึกเฉยๆ จากคุณสมพรครับผมว่าโยมฟังธรรมะของพระอาจารย์ทุกวันเป็นการเสรจติดธรรมะของพระอาจารย์เรียบร้อยโยมออกกําลังกายต้องใช้เสียงดนงตรีบูสในการออกกําลังกายบ้างอย่างนี้ถือว่าเป็นการเสพกรามหรือเปล่าครับแต่เสพในทางบวกครับมันก็มันดนตรีมันก็เป็ น, เ ป, นเป็นการเสพเสพความสนุกทางทางหูนะนะทางเสียงซู้ฟังธรรมะดีกว่า หรือฟังเสียงส่วนมนีกว่าเพราะว่ามันไม่มีอารมณ์มันจะทำให้ใจเป็นกลางถ้าท่าดนตรีนี้มันอาจจะทำให้เกิดอารมณ์ขึ้นมาได้อารมณ์คลึกคลึเคลิ้นเบิกบานอะไรทำรานใจแล้วมันจ ะ, จะไปเวลาไม่ได้ฟังดนตรีมันอาจจะเศร้าได้เหงาได้คุณอาครับ วิปัสสนาญาณเมื่อเกิดขึ้นแล้วจะเสื่อมหรือไม่อยู่ภายใต้กฎตาลักษหรือเปล่าครับไม่เสื่อมหรอกเพราะเมื่อรู้แล้วเข้าใจแล้วมันจะเข้าใจเมื่อรู้แล้วว่าสิ่งนี้เป็นเป็นพิษเป็นภยัยมันก็จําได้ไปตลอดมันจะไม่ลืมปัญญามันจะเป็นของไม่ลืมไม่เหมือนสัญญาสัญญาที่เราอ่านอะไรมาเราเป็นจดจํำมาไว้ถ้าเราไม่ได้ไปอ่านซ้ำทั้งพักไม่ได้คิดถึงมันทั้งพักเราก็ลืมได้แต่ถ้าเราเห็นของจริงแล้วมันจะไม่ลืม คุณปรเมศครับเวลานอนสมาธิทําไมจึงควรนอนตะแคงขวาครับอันนี้ก็เป็นธรรมเนียมของของคนโบราณข อ, ของนักปฏิบัติว่าเป็นการนอนแบบมีสติพร้อมที่จะลุกตื่นขึ้มาทันทีถ้านอนแบบนอนง่ายงายหน้าขึ้นนี่แต่ว่าเหมือนนอนแบบคนตายไม่มีสติคุณไลโคพีนครับเวลา คณนนี้กะถอนออกคิดทางปัญญาได้ไหมครับจะคิดทางปัญญาได้ตลอดเวลาถ้าไม่ได้อยู่ในสมาธิเวลาจิตสงบในสมาธิคิดได้ไม่ได้แต่การจะพิจารณาปัญญาเพื่อให้ละกิเลสนี้ถ้าไม่มีสมาธิเป็นเป็นผู้สนับสนุนเนี่ยก็ไม่ไม่มีกำลังที่จะที่จะหยุดความอยากได้ ถ้าจะเลินสติสมมุติว่าไม่นั่งสมาธิสติที่สะสมไว้จะอยู่ได้กี่วันครับมีวิธีคิดอย่างไรครับอาจารย์ก็ไม่ถ้าไม่สะสมพอหยุดหยุปั้นมันก็หายไปเลยแล้วเราก็ต้องมีสติไม่มีการสะสมไม่มีการฝึกนิสัยสตินี่เป็นการฝึกนิสัยเรามีนิสัยไม่ชอบมีสติกันเราชอบปล่อยให้ใจนอยนอยคิดตามความคิดตา่ตางๆ ที่เราต้องการมาเปลี่ยนทิศสัยจากการปล่อยให้ใจลอยให้เป็นใจที่ตั้งเง่นไม่ให้ลอยไปกับอารมณ์ต่างๆไม่ให้ไปลอยไปกับความคิดให้อยู่ให้อยู่กับในปัจจุบันให้อยู่กับสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นในขณะนั้นเวลานั้นคุณน้องครับสอ บ, บถามที่พระอาจารย์บินดาบา ท, ที่ไหนอยากไปใส่บาตนะครับพระอาจารย์ครับก็บ้านอำเภออยู่ที่ อยู่ที่ระหว่างพัทยากับสัตหีบนะานจากพัทยามาก็ต้องไปทางสัตหีบแล้วจะมีซอยนาจอมเทียนสามสิบเป็นจุดเริ่มต้นลองค้นหาดูรู้สึกในเว็บไซต์พระสุชาติ .com เขากวจะมีแผนที่ให้ให้ดูได้ลองก็ไปดูในเว็บไซต์พระสุชาติ .com ดู <c oughs> คุณไลโคพีนครับบอกว่าผมรู้สึกว่าผมจริญสติหลายวันถึงจะได้คณิกาหนึ่งครั้ง การคิดแบบนี้เป็นความจริงนะถูกต้องไหมครับอถ้ามันเป็นความจริงงั้นมาถามเราทำไมใช่ไหมคือจะจะเจริญสติวันมันไม่สําคัญะสาคัญว่าได้ผลหรือไม่เพราะการเจริญสติมันมันไริงไม่ได้รับอยู่ที่วันมันรับอยู่ที่ว่ามันต่อเ น, นื่องมากน้อยเพียงไรถ้ามีสติห้านาทีมันก็จิตรวมเป็นสมาธิได้ การที่เราจะทําให้มีสติอย่างตอนนี้ห้านาทีนี้มันอาจจะต้องใช้เวลาเป็นเดือนเป็นปีก็ได้สําหรับแต่ละคนสมมุติว่าที่บ้านให้ช่วยทําอาหารแล้วต้องเปิดดูวิดีโอสูตรอาหารแบบนี้ผิดศีลแปดไหมครับถ้าเราไม่กินไม่ไม่ผิดหรอกแต่ถ้าถือศีลแปดจริงๆก็ไม่ควรที่จะไปทํากิจที่เกี่ยวกับสิ่งที่มันจะมาทําให้เราล่ อ, อใจเราทําให้เราอาจจะ ผิดศีลได้พรเวลามันไปเห็นอาหารแล้วบางทีมันก็ความอยากกินอาหารก็มาเดี๋ยวทําไปทํามาบางทีตอนแรงก็อาจจะขออ้างว่าขอชิมสักชิคำก่นันชิมไปชิมมาขอกินทันเลยเดี๋ยวก็งั้นอย่าไปยุ่งกับมันดีกว่าถ้าเร า, าตั้งใจจะถือศีลจริ ง, รงๆก็อย่าไปอย่าไปเข้าใกล้กับสิ่งที่มันจะทําให้เราทําให้ศีลขาดได้ ผมเดินบริกรรมหลายวันแล้วมันเจ็บข้อเท้าผมจึงนั่งและยืนบริกรรมด้วยประสิทธิภาพการนั่งกับยืนจะสู้เดินบริกรรมได้ไหมครับอาจารย์มันไม่ได้อยู่ที่ท่าเดินถ้ายืนท่งนั่งมันอยู่ที่สติถ้าเราบริกรรมได้อย่างต่อเ น, นื่องมันก็มันก็ประสิทธิภาพก็ดีมันไม่ได้อยู่ที่ท่าของร่างกายที่เราเปลี่ยนท่าเพราะว่าร่างกายเรามันอยู่ท่าใดท่านหนึ่งไม่ได้นานมันก็จะเกิดอาการเจ็บเมื่อยขึ้นมาเราก็ต้องมีการผ่อนคลายเปลี่ยนนิริยาบท การเจริญสติของเราก็ยังทําต่อเนี่ยเหมือนกับใ น, ในท่าต่างๆเหมือนเท่ากันคุณสมพรครับวันนี้โยมเฝ้าดูกิเลส ท, ที่ร้อนรุ่มหน้าดูเพราะอยากได้หนังสือแต่เสมือนไม่อยากตามใจกิเลสเลยเห็นกิเลสดิ้นพล่านเพิ่งได้สังเกตการไม่ตามใจกิเลสมีความร้อนรุ่มดิ้นพล่านแต่ก็สุขใจในภายหลังการเฝ้าดูกิเลสการไม่ตามใจกิเลสต้องรู้ทันกิเลสกันอย่างนี้ใช่ไหมครับ ก็นั่นแหะถ้าเรารู้ทันเราเราเราสู้มันได้คือไม่ยอมทําตามมันในที่สุดมันก็จะยอมแพ้มันก็จะหยุดแต่บางทีดูแล้วสู้มไม่ไหวถึงมันจะรู้ว่ากิเลสเกิดบางทีก็ยอมแพ้มันก็มีมันอยู่ที่ยอมก็ไม่ยอม <c oughs> คุณไลโค์ข้พิณครับมีอะไรที่เจริญสติได้ดีกว่าการเดินจงกรมไหมครับ ก็การเคลื่อนไหวในสีรียบทเนี่ยในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยเราจารนิสติได้ตลอดเวลาตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาเลยเราจะใช้คำวิธีคำพุโทโธตลอดทั้งวันทั้งคืนก็ได้หรือเราจะใช้การเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายก็ได้ว่าตอนาในร่างกายเรากําลังทําอะไรอยู่ให้เราใช้จิตเราอยู่กับการทําของร่างกายเพียงอย่างเดียวไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องอื่นอันนี้ก็เป็นการจเจริญสติ จากเมื่อที่ที่แล้วพระอาจารย์บอกผมประมาณว่าสติเป็นเหตุผลที่ทําให้ได้มรรคผลเจวันก็บรรลุได้ถ้าคนคนนั้นเขาเป็นประเภทปฏิบัติลําบากรู้ได้ช้าอย่างนี้เขาก็ไม่สามารถบรรลุใน7วันได้สิครับหรืออย่างไรครับพรานั่นสิไม่เจ็วันก็7เจดือนยไม่เจ็ดเนื้อก็เจปีนั้นไม่ได้กำหนดว่าต้องเจวันกันทุกคนแต่ละคนมีความสามารถมากน้อยต่างกันภูมิภูมิปัญญาภูมิภูมิความเพียรมีความมากน้อยต่างกัน ก่อนจะได้อัปปนาจําเป็นต้องเชี่ยวชาญคณิกะและได้คณิกะทุกครั้งที่นั่งไหมครับมันเป็นอันเดียวกันเน่ยต่างกันตรงที่ว่ามั น, ม, นมันสงบนานหรือไม่นานเบื้องต้นสติมันมีกําลังว่ามันก็จะสงบได้แค่คณิกะเดียวเดียวเหมือนอฟ้าฟ้ารบับหรือว่างูรบับิดแต่ถ้าเราพยายามฝึกสติให้มากขึ้นมากขึ้นต่อไปการนั่งของเรามันก็จะสงบนานขึ้นไป อย่างวินาทีหนึสองวินาทีอาจจะเป็นห้าห้าวินาทีเป็นสิบวินาทีเพิ่มมาเรื่อยเรื่อยจนต่อไปมันก็จะนั่งได้เป็นเป็นสิบนาทียี่สิบนาทีครึ่งชั่วโมงพวกนี้มากขึ้นบปตามลาดับขึ้นอยู่กับการฝึกสติของเราว่าเราเพิ่มการฝึกสติให้มากขึ้นหรือไม่คุณสิทธิวิทย์ครับการหาภรรยาสวยๆคือการเสพรูปรถกลิ่นเสียงใช่ไหมครับ ใช่ถ้าอยากจะเล้าก็ต้องมาดูความไม่สวยงามของภรรยาที่สวยงามมองเข้าไปไภายใต้ผิวหนังของเรามองดูอวัยวะต่างๆที่มีอยู่ซ่อนอยู่ภายใต้ผิวหนังภาพหลังก็บอก beauty skin deep นความสวยงามของราอ่างกายไนะม่แค่มันมีคำลึกแค่เท่าเท่าเท่าหนังเานเองพอมองทะลุใต้หนังเข้าไปนะ้วมันก็จะเห็นอวัยวะต่างๆ การสมาทานศินแปดทำได้ทุกเวลาไหมครับคือการทำสมาการสมาทานหมายถึงการตั้งใจจะรักษาศินความหมายมันอยู่ตรงนั้นแล้วเราสามารถสมาทานกับตัวเราเองก็ได้สมาทานกับพระ ก, ก็ได้มันไม่จำมันไม่สำคัญความหมายมันก็คืออยู่ที่ความตั้งใจเนื่องมาเป็นการอธิษฐานจิตการสมาทานสีนก็คือการอธิษฐานจิตเช่นวันนี้เราจะรักษาศินแปดท่านนี้เราก็สมาทานแล้ว บอา ก, กับตัวเองวันนี้เราจะรักษาสีนะ่งแปดเนี่ยอันนี้เราก็สมาทานนะเวลาที่จิตถอนออกจากคณิกะคือปวดขาจนทนไม่ไหวใช่ไหมครับไม่ใช่เรามันคนละเรื่องกันเวลาจิตสงบนี้มันมักจะไม่ค่อยมีอาการเจ็บปวดทางร่างกายเวลาออกจากสมาธิมาที่มันปวดนี่แสดงว่ามันไม่สงบมันนั่งต่อสู้กัน คุณ mindfulness ครับการภาวนาพุโทโธเป็นการเจริญสมถะวิธีที่เรียกว่าอนุสติสิบใช่หรือไม่เจ้าคะจะกราบเรียนถามถึงประโยชน์ของการเจริญสมถะวิธีที่เรียกว่ากระสินว่าเป็นธรรมที่ทําให้ใจสงบได้อย่างไรและเพราะอะไรครับมันก็เหมือนกันอนุสติเช่นพุโทโธกแล้วก็เพ่งอยู่ให้จิตเพ่งอยู่กับคํำบริกรรมพุโทโธพุธโทโธไปถ้าเราใช้กระสินเราก็ใช้สีแทนเช่นเราจะใช้สีแดงสมมตุติเราก็ต้องน้น นึกถึงภาพของสีแดงก่อนแล้วพอเรารู้ว่าสีแดงไปยังไงเราก็หลับตาลแล้วพยายามนึกสีแดงให้มันโผล่ขึ้นมาในในมโนภาพของเราแล้วก็พยายามรักษาสีแดงนั้นให้มันอยู่ไปเรื่อยๆถ้าเราต้องทําอย่างนี้เราก็จะไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้ก็เหมือนกับการดูลมหรือเหมือนกับการบริกรรมพุโทโธมันก็เป็นการเพ่งอย่างหนึ่งแทนที่จะใช้คําบริกรรมพุโทโธหรือการแทนที่จะใช้การดูลมหายใจเข้าออกเราก็ต้องใช้สี อันนี้ใช่ยากกว่าเพราะเราต้องจินตนาการสีให้มันปรากฏขึ้นมาในใจของเราอยูลมมั ง, ง่ายกว่าเพราะลมมันมีอยู่แล้วหรือบริกรรมพุโทโธมันง่ายกว่าเป็นแารนึกถึงกาพุโทโธเราก็ทําได้แล้วงั้นการจะฝึกกระสินนี่อาจจะเป็นเรื่องของคนที่เขาอาจจะมีความถนัดในการนึกถึงสีงต่างๆ ใ, ในใจของเขาอยู่แล้วอันนี้ก็ไ ม, ไม่จำเป็นว่าจะต้องใช้เหมือนกันทุกคนในการทําสมาธิ เวลาใจมันไม่อยากนั่งสมาธิผมลองเอาวิธีของพระอาจารย์มาใช้คือผมสวดมนต์บทที่ท่องได้บทหนึ่งยาวพอสมควรท่องไปสิบห้าจบมันไม่หายครับพระอาจารย์มีวิธีอื่นอีกไหมครับก็สวนอีกสิบห้าจบเนี่ยสวดไปเรื่อยๆจกงการมันจะหายดูสิว่าใครยัยอมแพ้ใครถ้ามันไม่หายเราก็จะสวดต่อไปเนี่ยมันเหนื่อยมันก็หยุดเลยมันก็มันมันเหนื่อยมันก็ไม่อยากจะคิดเองมันก็หยุดเอง คุณแคทครับถ้าเราอธิฐานอยากมีเงินมากๆเพื่อให้ได้สร้างทานบา ร, รมีอย่างสะดวกสบายช่วยบำรุงพระพุทธศาสนาและเพื่อนมนุษย์รัศมีสัตว์ทั้งหลายแต่ไม่ใช่เพราะความโลภหรือเราไม่ต้องอยากทำเท่าที่มีและเอาเวลาไปทำพอนาดีกว่าไหมครับใช่อันนี้มันเป็นอุบายของกิเลสหลอกเราให้เราไปหาเ ง, งินเงินเพราะการที่จะทำาู้บำรุงพระพุทธศาสนาที่แท้จริงก็คือการศึกษาการปฏิบัติแลนะการบรรลุธรรมตามลาดับแต่ ไม่ใช่ไปหาเงินหาทองมาเพราะว่าตัวศาสนาไม่ได้อยู่ที่วัตถุถาวลลวัตถุต่างๆตัวของศาสนาอยู่ที่มัรผลนิพพานใครมรัคผลนิพพานผู้นั้นก็สามารถที่จ ะ, ะรักษาพระพุทธศาสนาให้อยู่ต่อไปได้ คุณสมพรครับส่วนมากโยมมักจะตามใจกิเลสตัวเองแบบไม่รู้ตัวถ้าพอได้ฝึกไม่ตามใจกิเลสยอมหักดิบกิเลสบ้างช่วยให้มีความสุขไปอีกแบบจะพยายามฝึกเพราะไม่ได้ฝึกมาก่อนจึงต้องพยายามเริ่มเริ่มการฝึกโดยการรู้ท่าทางกิเลสและพยายามตัดกิเลสคิดอย่างนี้ถูกทางถูกทำแล้วหรือยังครับก็ถูกเราจะสะกัดกิเลสด้วยการตั้งตั้งจิตอธิษฐานว่าเช่นเรา ชอบดูหนังเนี่ยแล้วก็ตอนนี้จะไม่ดูเดินดูดูให้น้อยลงเช่นเคยดูทุกวันก็อาจจะดูวันเว้นวันอยนี้แล้วก็สกัดกิเลสได้ไม่ต้องมารอให้มันปรากฏขึ้นมาตอนรู้มันจะเราเคยเดื่มกาแฟทุกวั น, รรนเราลดกาดื่มกาแฟลงได้ไหมสุกฤษฎีเดินชูรา คือทําอะไรที่มันเป็นกิเลสทั้งนั้นแหะสิ่งต่างๆที่เราทำนี่ถ้าจะไม่มีอะไรที่ไม่เป็นกิเลสเลยเราลดมันลงให้ให้มันน้อยลงได้ไหมลดละก็เลยค่อยๆลดแล้วก็ละไปในที่สุดขอวิธีเดินบริกรรมเกือบทั้งวันทั้งคืนหลายๆวันอย่างไรไม่ให้ปวดข้อเท้าหรือเจ็บเท้าได้ไหมครับอาจารย์ของการบริกรรมมันไม่ได้ทาให้ข้อเท้าเจ็บหรอกการที่ขอ้อเท้าเจ็บเพราะเราเดินมากเกินไป ถ้ามากเกินไปแล้วก็พักสียมันก็ต้องใช้ใช้สติใช้ปัญญาหรือว่าเราทําอะไรเกินร่างกายมันก็มีขอบเขตนะเดินมากๆมันก็เจ็บเราก็ต้องพักปเปลี่ยน area บวมานั่งบ้างมายืนบ้างมานอนบ้างไม่ใช่เอาแต่เดินไปอย่างเดียวมันก็ต้องมีแต่บางองค์ในสมัยพุทธกาลมีขะมีข่ขขาวให้ฟังว่าท่านเดินจนกระทังเดินจนกระทังคอต่อฝ่าเท้าท่านแตกแล้วก็บรรลุธรรมในขณะนั้นะ บรรลุธรรมในขณะที่ฝ่าเท้าแตกก็มีอันนี้ก็ต้องดูความความความพอดีของเราว่าเรามีความมุ่งมั่นแล้วเราคิดว่าเราสามารถบรรลุธรรมได้โดยการที่ยอมให้ข้อเท้าเราเจ็บแล้วก็เดินไปให้มันเจ็บไปถ้าบรารลุได้มันก็คุ้มค่านะข้อเท้าเดียวก็หายได้การบรรลุธรรมแต่ละครั้งนี่มันไม่ใช่ของง่ายๆถ้าเราคิดว่าเราสามารถบรรลุธรรมได้โดยการเดิน ไม่หยุดนะก็ลองเดินดูหน่ยยอมเจ็บข้อเท้าดูาได้มารู้ทำขึ้นมามันก็คุ้มค่าคุณมาริษาครับควรวางใจอย่างไรเกี่ยวกับการทําบุญครับพระอาจารย์เพราะบางครั้งเราทําบุญแล้วเราหวังผลจากการทําบุญครับก็เหมือนกับการรับประทานอาหารนะเราหวังผลจากการรับประทานอาหารนะเราก็รู้ว่าทารับประทานอาหารแล้นเราจะได้อะไรก็ดับความหิวได้ความอิ่ม การทำบุญก็แบบเดียวกันการทำบุญก็เพื่ออันดับความอความหิวของกิเลสอยากไปเที่ยวที่นั่นที่นี่เวลาเราทำบุญใจเราก็เกิดความอิ่มขึ้นมาความอยากไปเที่ยวมันก็หายไปมันไม่ต้องไปไม่ต้องมีความอยากมันมีผลตามมาโดยอัตโนมัติทําให้เกิดความสุขใจอิ่มใจผูดง่ายๆใุที่เราต้องไปเที่ยวกันเพราะเราไม่มีความสุขใจอิ่มใจ เราคิดว่าถ้าไปเที่ยวเราจะมีความสุขใจอิ่งใจแต่มันวิธีผิดวิธีที่จะทำให้เราสุขใจอ่ใจต้องไปทำบุญแทนแต่เราไม่ยอมทำกันเราคิดว่าไปเที่ยวแล้วจะทำให้เราอิ่มใจมันอิ่ม้หมนะมันกลับทำให้หิวมากขึ้นบนบะไปเที่ยวเราก็อยากจะไปเที่ยวอีกแต่ถ้าลองทำบุญบ่อยๆสิทาบุญบ่อยๆต่อไปมันจะไม่มีความอยากไปเที่ยวไหนไมันมีความสุขกับ ก, บ ก, บการได้ทาบุญ เอาไปทุกครัง้งถ้ามันอยากจะมีความสุขใจใจมันก้าไปทำบุญดีกว่าคุณวันนาครับเราจะรู้ได้ยังไงว่าโสดาบันแล้วครับอาจารย์โดยหลักก็คือเราจะไม่กลัวความเจ็บกลัวความตายเราเห็นแล้วว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเราเป็นเพียงส่วนประกอบของดินน้ำลมไฟเป็นของธรรมชาติ เป็นเหมือนต้นไม้ต้นหนึ่งที่เรามาครอบครองเป็นเจ้าของชั่วคราวตันเองเราไม่ได้เป็นร่างกายเหมือนกันเรามีรถยนต์เนี่ยเราก็รู้ว่ารถยนต์ไม่ใช่เป็นของเรานถ้ารถยนต์มันจะพังมันจะเป็นอะไรเราก็เราก็ไม่ทุกข์กับมันเพราะเรารู้ว่าเราไม่ได้เป็นอะไรไปกับรถยนต์คุณไรค์คปีนบอกว่าตอนพระอาจารย์ทําความเพียรอดอาหารครั้งละกี่วันครับ ก็ลองใหม่ๆก็ลองอดสาวันแล้วก็เพิ่มเป็นห้าวันเจ็ดวันไปแล้วก็สลับกรรมพัดไม่ได้ไม่ได้อดแบบตอนอนนี้ครับชันห้าวันแล้วเราจะมันหยุดวันสองวันแล้วก็กลับอดอดห้าวันเจ็ดวันเคยพยายามอดดูว่จะได้มากเท่าไหร่พอได้สักเก้าวันจะรู้สึกว่ามันชักจะไม่ค่อยมีสติแล้วมันก็เลยลดลงมาประมาณห้าวันรู้สึกว่ากำลังดี ก่นถ้ามาเรากมาฉันหนึวันสวันเนาะกลับไปอดใหม่ก็ต้องค้นลองดอูแต่ละคนว่าจะอด ก, กี่วันกี่วันดีแล้วตอนอดภาวนาได้ดีเลยเหรอครับอาจารย์ครับมันต้องภาวนานะเพราะว่าไม่ภาวนามันจะทรมานไงจิตมันจะปรุงแต่งดันเรื่องอาหารมันจะปรุงแต่หิว ม, มันก็เลยถูกไฟบังค์ขับคู่ต่อสู้มามาม า, มาอยู่ที่หน้า หน้าเราแล้วมาท้าทายเรามาชวนเราไปกินเนี้ยแต่เรากินไม่ได้นะเมื่อเราตั้งใจจะไม่กินเนี้ยถนาทำให้เรามักษาสัจจะเราได้เราก็ต้องพยายามทำใจให้สงบพอเราทําใจให้สงบความคิดปตกแต่งเกี่ยวกับอาหารมันก็หายไปความอยากกินอาหารมันก็หมดไปใจก็อิ่มขึ้นมานั่นเป็นการบังคับแต่ถ้าเรากินอาหารจำบานนี้ มันไม่มีความอยากที่จะภาวนาเพราะมันสบายร่างกายสบายมันอยากจะนอนมากกว่าวั <c oughs> นไห น, น, นที่วไหนที่ไม่ได้อดอาหารมันจะขี้เกียจภาวนาแต่วันที่อดอาหารนี่มันถูกไฟบังคับบังคับให้ภาวนาถ้าไม่ภาวนามันจะทรมานมางทั้งด้านจิตใจ ตอนพระอาจารย์อดที่บ้านตานี้ก็ไม่ได้ไปบินาบาบใช่ไหมครับราอาจารย์หลวงตาท่านไญาตไม่ให้ไม่ต้องมาทำกิจนอกกับใครเลยให้ไปปิดนิเวคนเดียวไม่ต้องมาทำกจไม่ต้องมาที่สาลาไม่ต้องมาบินาบาบไม่ต้องมาทำกิจส่วนนมทำเฉพาะกินส่วนตัวก็คือปิบัติกตามบริเวณที่ภาคของตนก็พอแล้วท่านให้กำลังใจในเวลาท่านมีญาติโยมถวายช ก, กนั้นอาจารย์จะให้ ให้ไป แ, แจกผ้าที่หัวนาหานผ้าที่กินหนานยังไม่พลาดกินอันก็เป็นเหมือนกองเชียร์แบบแบบเงียบๆอ๋อ <c oughs> ค, ครับผมคุณนพพลครับจะภาวนาให้ละการติดความสุขในกุศลให้จิตเข้าอุเบกขาอย่างไรดีครับก็ <c oughs> ต้องฝึกสติหยุดความคิดให้ได้ คุณว น, นาครับบอกว่าดิฉันถือศีลแปดปฏิบัติทำเช้าเย็นมีพระสงฆ์กับไม่ชีเป็นพระอาจารย์สอนสองท่านอ๋อบ ว, บวชีแล้วถือศีลแปดเจ้าข่า่าถ้าบวชชีไม่ถือศีแลแปดจะทำยังไงทำไม่ถือศีแลแก็ต้องถือศีลสิบศีลสิบบางบางท่านก็แค่ไม่ไม่แตะต้องเงินทองไม่ใช้เงินทองก็ถือศีลสิบ แต่บางท่านยังต้องใช้เงินทางไปจับจ่ายซื้อข้าวของซื้อกับข้าวกับปล า, า, ามาเลือกตัวเองก็ถือสินสิไม่ได้แล้วก็ถือสินแปดไปแทนคุณศิรวิทย์ครับจัดการกับความเครียดยังไงดีครับย่นคิดเนี่ยทำใจใสงบไปคำพุโทโธพุโทโธไปเวลาเครียกดก็พุโทโธพุทโธไปสวดมนตน์ไปก็ไนดะ้อย่านั่งเฉยๆอย่าปล่อยให้จคิดมันจะไปคิดถึงโน้งทาให้เครียด คุณมาริษาครับบางคนอายุยิ่งมากกิเลยิ่งแน่นหนามากขึ้นกว่าเดิมเพราะมีความวิตกกั ง, งวลกับเรื่องที่เป็นห่วงมากขึ้นต้องใช้ธรรมะข้อไหนแก้ปัญหาครับก็ที่แลยก็อย่างว่ามีสองอย่างสติกับปัญญามัน ม, มันมยังไม่ขึ้นอยู่ว่าเป็นคนอายุมากย่าอายุน้อยกิเลมากเลยนะมันก็ต้องใช้สติหยุดความคิดให้ได้แล้วก็ใช้ปัญญาสกัดความโลภความอยากให้เห็นว่าสิ่งที่เราโลภเราอยากมันเป็นทุกข์มันไม่เที่ยง ว่เราควบคุมมาครับให้มันเที่ยงไม่ได้คุณกันที่มาครับควรแผ่เมตตาตอนไหนญาติเราที่ตายไปแล้วถึงจะได้รับค้าหลังนั่งสมาธิหรือว่าได้ทุกเวลาครับการแผ่เมตตานี้ไม่ใช่สําหรับเวลาเราพบปะกับคนเป็นเช่นเวลาพ บ, พบใครยเราก็ให้ความเป็นเมตตกับเขาทักทายเขาสวัสดีค่ะสวัสดีครับเป็นยังไงสบายดีหรือ หรือจะให้ความสุขกับเขาก็มีขนมนมเลี้งมีอะไรของฝากก็เอามาให้เขาอันนี้คือการแผ่เมตตาต้องแผ่ด้วยการกระทําไม่ใช่แผ่ด้วยการสวดการโยมวนใหญ่ที่ว่าการแผ่เมตตาคือการสวดบทแผ่เมตตาความจริงการสวดบทแผ่เมตตานี้มันไม่ได้แผ่มันเป็นการฝึกสติหรืเป็นการเรียนรู้วิธีแผ่จะเป็นสตา้าเอาเวลาหนุนตุเราจะไม่มีเวรมีกรรมกับสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงความหม แล้วเราก็ต้องรู้จักให้อภัยเวลาที่เราไปมีปัญหากับใครก็ทําอะไรแ ล, แล้วเกิดอาธละบอกแว่งกันเกิดความเสียหายกันเกิดความาฆาาพยาบาทขึ้นมะาเราก็ต้องให้อภัยกันพอให้อภัยความโกรธมันหายไปความมาฆ่าพยาบาทก็หายเห็นต้องแผ่ตอนที่เราพบกันจบคงตานี่นั่นเราไม่ได้ถผ่เมตตาเราอุทิศบุญ เราส่งบุญให้เขาส่งสเสบียงให้เขาส่งอาหารใจให้เขาบุนเป็นอาหารใจอาหารของดวงวิญญาณคนที่ตายไปแล้วทำบุญไม่ได้แลนะ้วเลยต้องอาศัยคนเป็นทําให้แล้วก็ส่งไปให้เขาครับคุณสราวุธครับแต่ก่อนยังไม่ได้ฟังศึกษาธรรมะผมก็มีความทุกข์อยู่แต่ไม่รู้ว่ามันเป็นทุกข์พอได้ศึกษาฟังธรรมะจากหลวงตาจึงรู้ว่าการเกิดเป็นทุกข์ทางร่างกายจิตใจ ผู้ใดเห็นความทุกข์ผู้นั้นจึงอยากจะออกจากทุกข์ใช่ไหมครับใช่เือนกั์คนที่ไม่สบายก็อยากจะหายจากอาการไม่สบายคุณมาริษาครับอยากหยุดการใช้จ่ายสู่รุยสุร่ายสนองนิสของตัวเองต้องใช้ธรรมะข้อไหนเจ้าคะ่ะใช้มากน้อยสัญญ์เอาเล่นๆเอาเท่าที่จาเป็นต้องมีเช่นเสื้อผ้าเราจาเป็นต้องมีสักกี่ชุด ถ้าเป็นปฏิบัติธรรมเนี่ยสามชุดก็พอใช่ไหมชุดหนึ่งไว้ใส่ชุดหนึ่งไว้ซักชุดหนึ่งไว้สำรองเผื่อชุดที่ซักแล้วมันยังไม่แห้งหรือมันชำนุษย์ก็ยังมีชุดสำรองยิงจริงแค่สามชุดก็พอแล้วถ้าเราเป็นนักปฏิบัติธรรมนุ่งขาห่มขาวนี่ก็มีชุดขาวสามชุดก็พอแล้ะรองเท้าก็หนึ่งคู่เรามีท้ากี่คู่ล่ะมีรองเท้าคู่เดียวเราก็ใช้รองเท้าคู่เดียวเวลาใช้รองเท้าเราใช้ทีกี่คู่ล่ะ ไมใชคู่เดียวยังต้อใช้หลักความจริงมามาประกอบความต้องการของร่างกายมันต้องการเท่าไหร่ก็ให้หมันเท่านั้นก็พออย่างพระพุทธเจ้าสอนพระให้มีผ้าตาแค่สาวผืนก็พอแล้วผ้านุ่งผืนหนผ้าห่มผืนหนึงผ้าห่มกันหนาวอีกผืนก็เรียกว่าผ้าตายกินอาหารแคกินเวลาครั้งเดียวก็พอละมักน้อยพอมีพอเพียงต่อความต้องการของร่างกาย หลักของผ้ามามามามาดัดแปลงให้มันเหมาะกับชีวิตเราสิทุดมขวัดที่ผู้เจ้าสอนเนะี่ยให้ยินมีตามยินีตามเกิดอาหารก็อย่าไปจู้จี้จุกจิกอย่าไปเลิกกินอาหารชนิดนั้นชนิดนี้เวลาไปร้านอาหารลองสั่งบอกเลยว่าหนูว่เอาจานอาหารมาให้พี่สักสองสามอย่างอะไรก็ได้อันนี้นเรียกว่าสันโดษยินมีตามตามีตามเกิด ในน้อยก็กินมื้อเดียวก็พอคุณน้อยครับขรับพระเจ้าเครียดมากๆจะทําอย่างไรดีครับก็ <c oughs> พยายามท่องพุโทโธพุโทโธไปแผ่ ใ, ใจจนกว่าจะหายเครียดหรือส่วดวนสนับกันไปก็ได้แต่อย่าปล่อยให้ใจเนอยู่เฉยๆเนี่ยไม่มีการสวดก็ไม่มีการท่องพุโทโธเพราะใจมันจะมาเอาเรื่องต่างๆมาคิดแล้วจะทําให้เครียดไปเรื่อยๆ คุสมพรครับยอมได้ธรรมะของพระอาจารย์ที่ช่วยให้การดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขได้ยินได้ฟังได้อ่านธรรมะของพระอาจารย์แล้วเสมือนจะดูดซึมธรรมะเอาไปปฏิบัติได้ทันทีชนิด instant instant ธรรมะนำธรรมะไปไประยุกต์ใช้ได้น้อมกับน้ำพ ร, ระสะการพระธรรมของพระอาจารย์ด้วยเสียงก้าวการฟังธรรมของพระอาจารย์ทั้งแบบ live สดและ real time กับการย้อนตามฟังย้อนกรณีไม่ได้ฟัง live สดเฉพาะยิ่งในตอนบ่ายสองอาจติดภารกิจงานหรืออาจหลงลืมเป็นได้สูงคําถามคือการย้อนไปฟังภายหลัง ได้อ่า น, นิสส่งให้การฟังทำเหมือนกับการฟังไลฟ์สดไหมครับเหมือนกันเพราะมันไม่มีอะไรเ ป, เปลี่ยนแปลงที่เราพูดสดกับที่เราอ่านไว้มันก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเหมือนกันได้เลยเหมือนฟ้าแฝดเลยถ้าไม่บอกว่าเป็นการเป็นการอ่านก็จะไม่รู้บางคนก็ไม่รู้คิดว่าเป็นไลฟ์สดก็มทีที่ทุกวันตอนบ่ายสองโมงส่วนใหญ่เป็นของเก่าแล้วนั่นนะคนบางคนไม่รู้ว่าเป็นของเก่าเป็นของก็งงงคิดว่ากําลังฟังสดสด มันเหมือนกันอนะ่ะมันอยู่ที่คนฟังว่าฟังแบบมีสติหรือไม่มีสติท่านนะถ้ามองมีสติมันก็จะได้ผลได้ประโยชน์ถ้าฟังแบบไม่มีสติมันก็จะไม่ค่อยได้ผลไม่ค่อยได้ประโยชน์เท่าไหร่คุณสติครับพระโสดาบันท่านยังมีความโกรธอยู่ในระดับไหนครับแล้วยังแสดงความโกรธทางกายทางวาจาหรือไม่ครับมีโกรธแฟนไงบางทีอยากจะนอนกับแฟนแฟนไม่ยอมให้นอนด้วย แต่เพียงว่าจะไม่ไปทาร้ายไ ม, ไม่ไม่ไปทํร้ายผู้ยังยังอยู่ในกรอบของสีหน้าซื้ออาหารไปฝากคนรู้จักบางทีก็ถามก่อนว่าอยากจะทานอะไรบางทีก็ไม่ได้ถามข่าวก่อนแต่ทุกครั้งจะเป็นของดีๆที่เขาชอบล่าสุดหนูเลี้ยอาหารเย็นเขาแต่เขาเห็นอาหารของหนูเป็นอีกอย่างเลยสั่งว่าครั้งหน้าซื้อให้เขาแบบนี้นะหนูเริ่มไม่พอใจเลยไม่ได้รับปาก เขามีเงินเยอะกว่ามากแต่ชอบซื้ออาหารถูกๆทานเหมือนยา จ, จกแล้วเราให้หนูซื้ออาหารแพงๆไปให้หนูควรทําตามคําสั่งความอยากเขาไหมเขาเป็นญาติฝ่ายสามีหนูไม่ได้เป็นนี่บุญคุณเขาครับก็อยู่ที่ว่าเราจะ อ, าอยากจะเอาใจเขาไหมอยากจะชนะใจเขาไหมเท่าไรอยากชนะใจก็ต้องทําตามความอยากของเขาอืม ถือเป็นแผ่เมตตาไปเลยได้ไหมครับอาจารย์ก็ได้มันเป็นการสร้างมิตรภาพเขาควรจะชอบเรารักเราเพราะเราทําตามใจเขาในวันใดวันหนึ่งถ้าเกิดเราไม่ทําตามใจเขาเขาอาจจะโกรธเกลีดเราขึ้นมาอะไรก็ได้ต่อให้เราทําดีกับเขาม้อยครั้งผ่านครั้งแต่พอทําให้เขาไม่พอใจครั้งเดียวความดีที่เราทําให้เีามันหายไปหมดเลยคุณแดงครับอยากมีเงินปลดหนี้มีความอยากซื้อหวย แบบนี้เรามีกิเลสหนาใหม่ครับเพราะเรามีความอยากเวลาไม่ถูกก็มีความทุกข์ครับน้องง้อมันถ้าถ้าซื้อหวยแล้วมันผลนี้ได้ฝันใี้คนในประเทศไทยไม่มีใครมีนี่กันหรอใช่ไหมใครัะที่มีนี่ก็เพราะไปซื้อหวยกันหมดทันทียามกันที่ไปซื้อหวยไปไปใช้นี่กับแม่ไปใช้นี่กันคุณสมบูรณ์ครับ ตั้งแต่ป่วยนั่งสมาธิไม่เคยสงบเลยกังวลแต่ว่าหลังนั่งสมาธิต้องออกออกกําลังกายขอคําแนะนําครับเพราะเราไม่หยุดความคิดอย่างนมานั่งกังวลกับเรื่องนั่งสมาธิเวลานั่งสมาธิาธก็ไม่ได้จริงๆก็ไม่ได้นั่งสมาธินั่งกังวลนั่งกังวลก็ไม่มีวันที่จะสงบได้ต้องหยุดความกังวลต้องหยุดคิดความคิดก็ความกังวลมาจากความคิดของเราเอง คงใช้พุโทโธนั่งต้องทำพุโทพโธวุทโธพยายามเดียวแล้วใจก็จะสงบได้คุณใบยกครับลูกนั่งสมาธิจนถึงสภาวะรู้เฉยๆออกมาก็เฉยได้กับหลายๆเรื่องแต่ปัญหาคือบางวันก็นั่งได้แป๊บเดียวก็วู่เข้าสู่ความสงบบางวันก็นั่งไม่ได้เลยพอนั่งไม่ได้เกิดความไม่ชอบใจจริงๆลูกควรเฉยๆใช่ไหมครับอช่พอ่พอ เพราะเหตุที่ทำให้เราสงบมันไม่เท่ากันไงบางวันสติเราดีบางวันสติเราไม่ดีสติดีมันก็สงบง่ายสติไม่ดีก็สงบยาวหรือไม่สงบเลยเราต้องไปพิจารณาที่เหตุไปโกรธมันก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้ทําอะไรให้ดีขึ้นต้องใช้หลักวิเคราะห์กันต้องใช้การวิเคราะห์เหตุผลกันวนะ่าเมื่อวามวันนี้เราสงบดีอ๋อเพราะวันนี้เราสติเราไม่ เราดีไม่ใจไม่ลอยไปนู่นไปนี่อยู่กับวัคคําบริกรรมมันก็เลยสงบง่ายแต่วันนี้ทําไมไม่สงบเลยก็เพราะเรานั่งไม่มีกับไม่มีคําบริกรรมเลยมีแต่คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้มันก็ไม่สงบมันอยู่แค่นี้แหละเหพจคุณตีครับเวลาสวดมวนต์เป่งออกเสียงออกมาเบาๆได้ไหมครับผมใช้เวลาสวดมวนต์สี่สิบนาทีครับ ได้ถ้าถ้าไม่ไปรบกวนคนอื่นก็ต้องระวังบางทีถ้าเราโวดบุญแล้วบางทีคนอื่นก็ไม่ต้องการได้ยินเสียงนี้มันก็ต้องดูกาละเทศะก็แล้วกันคุณเบนจะพาครับใส่บาตรแล้วไม่ได้กรวดน้ําแต่จะเปล่งวาจาอธิษฐานขอทิศบุญกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายบรรพบุพรุษได้ไหมครับได้ไม่ต้องเปล่งวาจาก็ได้เพียงจะขึ้นในใจก็พอขอทิศ่วนบุญนี้ให้กับเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายก็ได้ คุณใบยกครับคือพอลูกรู้ถึงสภาวะเฉยเฉยก็อยากเข้าถึงสภาวะนั้นอีกครับก็กลายเป็นการเกรงไปครับ เ, เวลานั่งเราอย่าไปอยากเนี่ยเพราะอยากมันจะไม่ทําเป็นเหตุที่จะทําให้เราเข้าสู่สภาวะนั้นได้ mm hmm. เหตุที่ทําให้เราเข้าได้ก็คือการที่ใจเราไม่ไปคิดถึงเรื่องอะไรอยู่กับพุทโธหรืออยู่กับลมหายใจเพียงอย่างเดียว คุณสมพรครับถ้าใจเราละเอียดการเจริญสติการบริกรรมพุโทโธจะทําได้ง่ายเหมือนเป็นอัตโนมัติง่ายแบบเป็นอัตโนมัติแต่หากจิตใจเต็มไปด้วยขุ่นมัวการจับบริกรรมพุโทโธพลอยทําได้ไม่ง่ายไปด้วยเข้าใจอย่างนี้ถูกต้องแล้วหรือยังครับนั่นแหละมันก็เป็นผล้องการมีสติแล้วไม่มีสตินั่นถ้ามีสติใจเราก็จะละเอียดสงบมันก็จะมันก็จะง่ายแต่ถ้าถ้าใจเราไม่มีสติมันก็ฟุ้งซ่านขุนมัว มันก็ยากที่จะทำให้ใจสงบถึงนต้องพยายามฝึกสติทั้งวันตั้งแต่ตื่นขึ้นมาเลยทั้งวันทั้งคืนพยายามมันฝึกสติอยู่เรื่อยเวลาเข้าสมาธิจะง่ายจะสงบคุณพาณีครับการเรียนถามไม่ค่อยได้ไปใส่บาตรแต่ชอบจัดชุดของใช้จำเป็นแบบสังฆทานแจกบรรดาคนใช้แรงงาน ตามที่ต่างๆจะได้รับอา น, นิสงต่างกันอย่างไรบ้างเพอาเห็นใจพวกเขาครับ อ, อ๋อใจที่ทํามือทาทานไม่ว่าใครเป็นผู้รับก็ได้อ น, นิสงเหมือนกันคือใจมีความสุดใจเห็นใจที่ได้เสียสละแบ่งปันทรัพย์สมบัติเช่าของเงินทองให้แก่ผู้่ไปแต่ประโยชน์ของผู้ที่เราให้เขานี่คนที่เขาเจะไปทําประโยชน์ต่อ น, นี้มันก็อยู่ที่ว่าเขาทําประโยชน์อะไรได้มากน้อย ถ้าเป็นคนแรงงานเขาอาจจะไปทํางานก่อสร้างช่วยสร้างบ้านสร้างอะไรแต่ถ้าเป็นพระสงฆ์องค์เจ้าท่านก็จะไปศึกษาปฏิบัติธรรมเพื่อบรรลุเป็นพระอริยะเพื่อที่จะได้เอาธรรมะที่ท่านได้บรรลุ ม, มาสั่งสอนเราอันนี้จะต่างกันประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นยับในของผู้รับจะไม่เหมือนกันอย่าที่ว่าผู้รับจะเอาเอาเอาเอ า, เอาประโยชน์ที่ได้จากการรับทางของเรานีไปทําอะไรต่อ สันนิ tha ครับรับชมจากออสเตรเลียนะครับบอกว่าวันนี้ดีใจที่มีโอกาสเข้ามาฟังธรรมจากพระอาจารย์เป็นของขวัญวันเกิดกราบขอพรจากพระอาจารย์เพื่อเป็นมงคลกับชีวิตครับมงคลที่ดีที่สุดก็คือการไม่มาเกิดนั่นเองการทํานิพพานให้แจ้งนี่เป็นมงคลที่สูงสุดในเถ้าไปอ่านมงคลละสามสิบปดนีข้อสุด ข, ข้อสุดท้ายท่านบอกว่าการทํานิพพานให้แจ้งนี่เป็นมงคลอย่างยิ่ง เย็นพยายามปฏิบัติศึกษาธรรมะปฏิบัติทางศีลภาวนาเพื่อให้จิตเข้าถึงนิพพานให้ได้เพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายต่อไปคุณแพทครับเพื่อนเล่าว่าเขาไปนั่งสมาธิแล้วรู้สึกเบามีความสุขมากเขาว่าเขาเห็นตัวเขานั่งอยู่อีกทีเหมือนเดินแล้วมองเห็นร่างตัวเองนั่งอยู่แบบนี้คือการแยกกายกับจิตหรือเปล่าเขาปฏิบัติถูกทางหรือไม่ไมครับ ว่าถ้าเขาเห็นว่าเขากําล่างการคนละคนก็ถือว่ามีการแยกกายากับจิตออกจากกาันแต่จะเห็นด้วยความจริงและเห็นด้วยความคิดจินตนาการ น, นี้ก็อีกอย่างหนึง่งต้องไปพิสูจน์ดูถ้าเขาแยากจิตได้เขาจะต้องไม่ทุกข์ไม่ทุกข์กับร่างกายถ้าเขาแยกจิตออกจากร่างกายได้ร่างกายเป็นอะไรเขาจะไม่เหนื่อยนอนอันนั้นถึงจะรู้ว่าแยากจริงหรือไม่จริงเพราะบางทีกิเลสมั น, มนหลอก เ, เราได้มันหลอกว่าเราเละเราแยกได้แล้ว เราไม่ได้เป็นร่างกายพอเวลนาะร่างกายเจ็บท้องขึ้นมาหน่อยจิตก็ไปปวดไปไปทุกข์แทนร่างกายอย่างนี้แสดงว่ายังไม่ได้แยกมันต้องพิสูจน์ด้วยการเวลาที่เจอความทุกข์ทางร่างกายแล้วดูเสิ้ยวจิตเฉยได้หรือไม่ได้อันนี้ต่างหากอยกรู้จริงว่าแยกได้จริงหรือไม่คุณนกครับ ขอเรียนถามพระอาจารย์โยมเจริญสติในชีวิตประจําวันและนั่งสมาธิทุกวันมีวันหนึ่งโยมได้ยินคําพูดของคนอื่นมันมีตัวที่เห็นอาการกระเพื่อมของจิตเมื่อเห็นแล้วอาการนี้มันดับลงมันบอกว่าอาการของความโกรธจากนั้นจิตมันนิ่งสงบตัวที่มันดูมันเห็นคือธาตุรู้ใช่ไหมครับก็ตัวสติเป็นตัวสติที่ทําให้ท่านรู้เห็นตัวนี้ดวงสติเป็นตัวตัวหนึ่ง่านรู้ให้มันดูอาการนี้ที่เกิดขึ้นในใจส่วนใหญ่น ดูตสติเราถ้าไม่มีจะถูกกีเหลให้ลากไปดูคนที่ทำให้เราโกรธเสียเราก็เลยไม่รู้ว่าความโกรธมันเกิดขึ้นในใจของเรากลับไปเห็นคนที่ทำให้เราโกรธแล้วก็ไปว่าไปว่าเขาไปในเรื่องกับเขาแต่ถ้าเราเห็นว่าความโกรธมันเกิดขึ้นที่ใจของเราแล้วมันดับลงได้เป็การหยุดของเราเองเราก็ไม่ต้องไปยิ่งกับคนอื่นอันนี้ขึ้นอยู่ว่าเรามีสติหรือไม่ คุณสมพรครับการปล่อยปลาได้อ น, นิสงอย่างไรครับการปล่อยปลาได้บุญได้รับความสุขเหมือนกับการใส่บาตรพระสงฆ์โยมเข้าใจเช่นนี้ถูกต้องแล้วหรือยังครับก็ถ้าคุณเป็นปลาคุณจะรู้สึกอย่างไร่ะถ้าเขาอยากเอาไปแกงแล้วมีนคนมาถ่ายชีวิตคนก็ แ, แบบเดียวกันแหะสมมติว่าถ้าคุณเป็นทังโทษเราได้รับพระราชท า, านอภัยโทษคุณจะรู้สึกอย่างไงอันนั้นนหะคือความสิ่งที่เราทําให้กับผู้ พ่เราคิดอย่างนั้นแล้วมันก็จะทําให้เราเกิดความรู้สึกมีความสุขใจขึ้นมาว่าเราได้ช่วยเหลือชีวิตของผู้ที่จะตายให้เราพ้นจากความตายได้อันนั้นแหละก็คือผลของบุญความสุขที่ได้จากการที่เราได้ช่วยเหลือผู้หให้พ้นจากความตายไปได้คุณคงกิจครับสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามการรมหากเราเห็นสัตว์กําลังจะถูกฆ่าแล้วร้องเสียงดังเหมือนขอร้องให้เราช่วย หากเราพิจารณาให้เป็นอุเบกขาแล้วเราไม่ช่วยเราผิดไหมครับการไม่ช่วยไม่ผิดนะแต่อาจจะกเป็นการขาดความเมตตาด้วยความการุณาถ้าช่วยได้ก็ควรจะช่วยอุเบกขาคนจะใช้ในกรณีที่เราช่วยเขาไม่ได้จริงๆคุณอัชาราครับลูกเป็นโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นหลังจะถนัดการทําสมาธิแบบเดินจงกรมมากกว่า ถ้าเดินจงกรมอย่างเดียวก็ถือว่าเป็นการทําสมาธิได้หรือไม่ครับโดยการภาวนาพุทโธไปด้วยครับอย่าการทําสมาธิร่างกายต้องอยู่เฉยๆก็เปลี่ยนมายืนเฉยๆอย่าเดินเพราะเดินนี่จิตยังต้องทํางานสั่งให้ร่างกายเคลื่อนไหวอยู่จิตก็จะไม่สงบเป็นสมาธิได้อันที่จิตจะเป็นสมาธิได้ร่างกายต้องนิ่งก่อนกายต้องนิ่งก่อนแล้วจิตถึงจะนิ่งตามได้ คุณสุทิชาครับวัดได้นําอาหารแห้งมาขายที่สาธารในวัดเพื่อนําเงินเข้าวัดเราไปซื้อบาบไหมครับไม่บาบหรอกมันก็เป็นสินค้าเหมือนที่เราไปซื้อที่ไหนคุณสิทวิทย์พูดถึงว่าพระอาจารย์รู้จักพระอาจารย์บุญจันทร์ไหมครับรรท่ า, า, าอาจารย์ท่านว่าเรียกว่าอาจารย์ว่าเจ้าคุณสุชาติครับเข้าใจว่ารู้จักท่านท่านรู้สึกพรรษาแก่กัเราอยู่พรรษาหนึ่ง ท่านอยู่ที่โอดอนใช่ไหม oh. เขาอยู่ที่บ้านป่ามัา น, านตานด้วยกัน oh. คุณสราวุธครับการปฏิบัตินั่งสมาธิภาวนาวเริ่มแรกทําไมจึงเป็นทุกข์มากครับพยายามอดทนและฝึกหัดไปเรื่อยๆใช่ไหมครับสิ่งจะได้ผลเพราะว่ามันเป็นการฝืนนิสัยของเราไงเวลาเราลองทำอะไรที่เราไม่ไม่อยากทําไม่ชอบทํา oh. มันก็เลยรู้สึกทุกข์เพราะเราไม่เคยทํามาก่อน เราชอบเราไม่ชอบอยู่เฉยๆเราชอบคิดชอบทำนู่นทำนี่พอถูกบงังคับให้อยู่เฉยๆมันทุกข์ถูกประจับขังในคุกเงี้ยการนั่งสมาธิก็เหมือนถูกจับไปขังในคุกดีๆเนี่ยใครอยากจะไปติดคุกบ้างไม่มีใช่ไหมครับมันทุกข์เพราะเราต้องการความเป็นอิสระในการเคลื่อนไหวในการกระทําอะไรต่างๆพอเราถูกถูกจับกันไม่ให้มีการเคลื่อนไหวมันก็เลยทําให้เราทุกข์ เราไม่เคยอยู่บสภาพแบบนี้มาก่อนคุณเข็มจีลาครับอยากให้พระอาจารย์อธิบายอานิสงส์จากการทําทานถือศีลและการภาวนามีระดับได้อนิสงส์มากต่างกันไหมครับการทาทานก็เยียวระดับจิตของเราให้สูงขึ้นจากมนุษย์ให้ไปเป็นเทวดาตายไปก็ไปสวรรค์ได้การรักษาศีลก็เพื่อป้องกันไม่ให้จิตของเราตกต่ำกว่าระดับของมนุษย์ ถ้าเราถ้าเรารักษาศีลได้เราก็ยังเป็นบรรลุนิ ย, ยู่ไปเรื่อยๆถ้าเราเริ่มทบาบาปแล้วจิตเราก็จะลงต่ําไปสู่าบายไปสู่การเป็นเดรัจฉ า, านบ้างเป็นเปรตเป็นลาสุรกายแล้วเป็นนรกบ้างอันนี้คือประโยชน์ของการรักษาศีลบองกันไม่ให้จิตลงต่ําส่วนการทําบุญทําทานนี่เป็นการย ก, กระดับให้สูงขึ้น และการภาวนานี้ก็คือการยกระดับให้จิตสูงขึ้นกว่าระดับที่เราได้จากการทําทานทําทานเราจะได้สวรรค์ชั้นเทพแต่ถ้าเราภาวนานเราก็จะได้สวรรค์ชั้นชั้นผมและชั้นพระอีิยจเจ้าตามลำดับต่อไปคุณสิริวิทย์ครับพระอารหันต์หรือพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบท่านมีความสงบเป็นเครื่องอยู่ใช่ไหมครับ มันก็เป็นจิตของท่านก็สงบถ้าไม่มีกิเลสจิตมันก็สงบปคุณใโยกครับตอนนั่งสมาธิพอเจ็บขาแต่จิตยอยู่ในสภาวะรู้เฉยๆลูกก็แค่รู้เฉยๆว่ามันปวดไม่อยากให้หายแค่รู้แล้วมันรู้ว่าเราไม่สนใจมันก็ชาและหายไปแบบนี้วางใจถูกไหมครับถ้าเราปล่อยวางไม่ไปขยับร่างกายไม่ไปทใ า, าให้มันหายเองไว้ให้มันหายเองมันก็กถูกเราไปว่า แสดงว่าหราปล่อยวางได้หัจใจเราไม่วุ่นวายไม่ทุก ข, ข์กับมันก็ถูกคุณสตวัตรครับเวลานั่งสมาธิเราจะรู้ได้อย่างไรครับว่าอาการสงบนั้นสงบจริงๆไม่ได้หลับลึกพอหลุดออกจากอาการที่ไม่รู้จะเรียกว่าสงบหรือหลับนั้นไม่มีอาการงงเงียใดๆครับพ อ, อเวลาสงบจริงๆมันเหมือนกับเตือนมันเหมือนกับโทรว่าเต้ยรางวัลที่ไหนนะ พอได้ข่าวว่าคุณถูกลอตเตอรี่รางวันที่หนึ่งอ่มันจะตื่นเต้นขึ้นมาเต็มที่แต่มันตื่นเต้นแบบสงบมันตื่นตัวมันไม่หลับมันรู้ตัวตลอดเวลามันรู้เห็นความมาสใจของความสงบว่าโอ้โหมันไม่ใช่เป็นเป็นความสุขที่ไม่เคยสัมผัสมาก่อนเลยเป็นความสุขที่เหนยกว่าความสุขทั้งปวงมันมันต้องรู้แบบนั้นเนี่ยมันอย่างถ้าแบบงงงงให้สงบหรือไม่สงบนี่แสดงว่าหลับมากกว่า คุณภูริพัฒน์ครับจิตไปใส่จิตไปใส่กายสังขารดังนั้นจิตเกิดจากอะไรทําไมจึงมีเกิดมาแล้วไม่ดับไปครับพร๋อจิตเป็นธาตุรู้ไงธาตุรู้เป็นหนึ่งในหกธาตุาที่มีอยู่ในจั ก, กรวาลในในใต้ภพในในโลกนี่คือมันมันจิตมันเป็นสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่ของมันซึ่งเราอาจจะไม่เข้าใจว่าทำไมมันเป็นไปได้เพราะเราคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีเกิดมีดับใช่ไหม แต่ในในในในสาวกนรลลกนี่มันมีอยู่หกอย่างที่ไม่เกิดไม่ดับก็มีอยู่เป็นอยู่ของมันมาตานั่างเดิมรนน่างเดิมมาถึงเมื่อไหร่ก็ไม่มีไม่มีกําหนดเริ่มต้นมันเป็นของมันอย่างนั้นน่ะมีธาตุธาตุดินธาตุน้ำธาตุนมธาตุไฟแล้วก็ธาตุอากาศสธาติแล้วไอธาตุทั้งหกนี่มันมาปฏิสัมพันธ์กันมันเลยทําให้เกิดเป็นดวงดาวดวงอาทิตย์ดวงจันทร์เป็นมีสัตว์มี ต้นไม้ใบหญ้ามีอะไรต่างนี่มันเกิดจากการปฏิสัมพันธ์ของธาตุทั้งหกนี้แต่สิ่งนี้เกิดจากการปฏิสัมพันธ์อันนี้มีเกิดล่อนดับยะนร่างกายนี้มัการปฏิสัมพันธ์ของธาตุทั้งห้าอินท้ีย์ลมไฟแล้วก็ธาตุรู้บารมีกันก็มีร่างกายแต่ว่าหนึ่งธาตุทั้งห้ามันก็แยกตัวออกจากกันร่างกายก็หายไปร่างกายก็ดับไปแต่ตัวธาตุที่บังเอกันไม่ดับมันก็แยกไปอยู่ ส่วนของมันไปท่านบินก็กลับไปอยู่ส่วนของมันไปท่านานางก็อยู่ส่วนของมันไปแล้วเดียวมันก็กลับมารวมกันอีกแั้นมันก็ทําให้เกิดมีต้นไม้มีร่างกายของมนุษย์มีร่างกายของสัตว์ในราชาหี่มันก็เป็นอย่างนี้ไปเกิดเกิดดําดับไปตลอดเวลาเป็นการปฏิสัมพันธ์ของท่าทั้งหกเนี่ยขออนุญาตสอบถามครับฝึกสมาธิจนจิตสงบเย็นแผ่ทั่วร่างกายหลังออกจากสมาธิใช้ชีวิตปกติ จิตยังเหนียวแน่นอยู่เวลานึกถึงเรื่องงานบังคับให้คิดก็ไม่ยอมคิดจะทํายังไงดีให้สามารถใช้ชีวิตทางโลกได้ตามปกติครับเไม่เชื่อไม่คิดเหรอเพราะเวลาจะเอาจริงแล้วสมาธิก็ต้องใช้ความคิดแล้วแหละมันต้องคิดเอ่ะยังไม่คิดคุณก็ต้องนั่งเฉยๆไปตลอดเนาะไม่รลุกจากที่นั่งการจะลุกจากที่นั่งไรคนก็ต้องคิดก่อนตอนที่จะลุกจากที่นั่งแล้วนะสั่งให้ร่างกายขยับมันเป็นความคิดทั้งนั้นหน่ะแต่คนไม่คิดว่ามันเป็นความคิด ความคิดคุณนี้หมายถึ ง, งคิดเรื่องราวต่างๆที่ลึกซึ้งมั้งที่ต้องใช้เหตุใช้ผลอันนี้อันนี้ไม่เกี่ยวกับสมาธิมันเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าบางทีใจเราคิดเกลียดคิดมากกว่าไม่ใช่เกิดจากสมาธิพอจากสมาธินี่มันไม่มีอะไรมาควบคุ ม, มคบังคับห้ามไม่ให้เราคิดแล้วคุณอุนเปรี้ยวครับ การเอาชนะความโกรธ ด, ด้วยความไม่โกรธมันจะง่ายแต่ทําไม่ได้เลยเจ้าขายิ่งรู้ว่าถูกเอาเปรียบด้วยความไม่ถูกต้องยิ่งโกรธแม้จะเจริญสติอย่างไรก็เอาไม่อยู่จนเวลาผ่านไปถึงค่อยลดความรุนแรงขอพระอาจารย์ช่วยแนะนํากุศโลบายเอาชนะความโกรธ ด, ด้วยครับก็ไปถ้าเราเอาชนะความโกรธเราก็ต้องไปละความเหตุที่ทําให้เราโกรธเยเหตุที่ทําให้เราโกรธก็คือความอยากของเราอยากให้เขาทาอย่างนั้นทําอย่างนี้เช่นอย่างไม่ให้เขาเอาเปรียบเรา พอเขาเอาเปรียบเราก็โกรธใช่ไหมเราก็อย่าไปอยากให้เขาไม่เอาเปรียบเราเลยปล่อยปล่อยให้เขาเอาเปรียบเราเราก็จะไม่โกรธเพราะนี่คือธรรมชาติของเขาอ่ะเขาชอบเอาเปรียบแล้วเราจะไปอยากให้เขาไม่ไม่เอาเปรียบได้อย่างไรก็ยอมรับความเป็นจริงของเขาแล้วกันว่าเขาต้องเขาต้องเอาเปรียบเราก็เปิดโอกาสยอมรับให้ยอมให้เขาเอาเปรียบเราเราก็จะไม่โกรธมันอยู่ที่ความอยากของเราเท่านั้นเอง คุณฟิกมากครับยิ่งตั้งใจดูยิ่งเห็นความโง่ความขี้โมโหของตัวเองครับก็ดีจะได้จะได้แก้ปัญหาได้ถ้าไม่ไม่เห็นความโง่ไม่เห็นปัญหาของตัวเองก็จะไม่ไม่ไม่ไม่มาแก้ที่ตัวเองไปแก้ที่คนอื่นไปโทษคนอื่นงงเราโง่แล้วมาโทษเขาว่าก็าุ่มซ่ามหรือเขาทาอะไรผิดเนี่ยเัน่ีงเราโง่มากกว่า ถ้าเราไม่ง้อเราก็ไม่ไม่ต้องมายุ่งกับเขาที่เราไปยุ่งกับเขาเพาเราโง่และก็ชอบทําอะไรผิดเราก็อย่าไปยุ่งกับเขาแล้วกันคุณเบกกี้ครับเวลาโยมสวดมนต์นั่งสมาธิเพ่งที่จุดเดียวเมื่อจิตนิ่งปรากฏแสงวูบไปมาจนแสงสว่างนิ่งจิตเข้าผวังอยู่อย่างนั้นแบบนี้เรียกเพ่งกสินใช่ไหมครับถ้าไม่ถูกขอคําแนะนําพระอาจารย์ด้วยครับเพ่งที่จุดเดียวนี่คือเพ่งเพ่งอะไรครับไม่ทราบนะ ถ้าเพ่งสีมันก็เป็นกระสินกสินยุ่งมันก็มีสีสีเขียวสีแดงสีเหลืองสีขาวถ้าเพ่งอยู่ถ้าเพ่งจุดอย่งนี้ไม่ทราบเพง่งเลยจุดดำๆเนำอะจุดเดียวอันนี้มันต้องอธิบายให้ฟังแต่ยังครับเข้าใจความหมายถ้าเพง่งดูนอนมันก็เป็นอาณาปรสติถ้าเพ่งอยู่คําบริการพุโทโธพุทโธมันก็เป็นพุทธานุสติไปคุณแดงครับบอกว่ารู้อย่างไรว่าเราบรรลุธรรมแล้วครับ รู้ว่าเราไม่ทุกกับร่างกายแนละ้วร่างกายจะเป็นจะตายเราก็ไม่เดือดร้อนแล้วอย่างเงี้ยเรามารู้ทำขั้นที่หนึ่งได้นะทำสมาธิมีสติรู้อยู่ตรงกลางหน้าอกเมื่อจิตเข้าถึงความสงบจนเกือบไม่รับรู้ภายนอกรู้สึกเหมือนจิตเคลื่อนออกจากหน้าอกมีแรงดันขึ้นไปทางด้านบนกระหม่อมจึงใช้สติประคองจิตให้กลับมาที่ฐานกลางหน้าอกทําถูกต้องไหมครับ พยายามให้มันอยู่ที่เดียวเวลาเราภาวนาอย่าให้อย่าให้เลื่อนออกไปจากจุดที่เราใช้เป็นที่ที่ตั้งสติของเราถ้าอยู่กับลมก็ให้อยู่กับลมอย่าทิ้งลมถ้าใช้พุโทโธก็อย่าทิ้งพุโทโธให้อยู่กับพุโทโธไปคุณสมบัติครับเมื่อสิทธิเห็นรูปงามจิตพอใจจึงกำหนดรู้ดูดีกรีความพอใจของจิตและพิจารณาอสุภะ สิทธิขอความเมตตารำดับหรือแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องครับก็ต้องมองว่ามันเป็นใตรักเนี่ยเห็นอะไรถ้าเราพอใจแล้วก็บอกว่ามันเป็นของเม่เที่ยงเนี่ยถ้าได้มาแล้วเนี๋ยมันหนมันก็ต้องจากเราไปแล้วเราต้องจากมันไปพอเห็นความไม่เที่ยงเห็นว่าต้องมีการพัดพาจากกันมันก็จะทําให้เราอไม่อยากได้ขึ้นมาหยุดความอยากได้ คุณสัตวัตครับเวลาเรานั่งสมาธิเราจะรู้ได้อย่างไรครับว่าอาการสงบนั้นมันสงบจริงๆไม่ได้นั่งอ๋ออันนี้น่าจะถามซ้ำมาครับอาจารย์ใช่อันเดียวกันครับคุณชาชาครับขายชูราเป็นบาปหรือไม่ครับอาจารย์เอ่ามันไม่เป็นบาปแต่มันเป็นอาชีพที่ไม่ควรทำเพราะเป็นการส่งเสริมให้คนอ่าไปไปดื่มแล้วเกิดอาการเหมือนเมาทําผิดศีลข้อห้า แต่ถ้าเราไม่ดืม่มเราไม่บาปคนดื่มบาปแต่เราเ้าขายเราไปเหมือนกับเป็นคนสนับสนุนให้เขาไปทำบาปซึ่งอาจจะมีผลกระทบกลับมาหาที่เราก็ได้เขาดื่มสุราเบาแล้วก็อาจจะมารัางควานเราก็ได้ถ้าเขาเกิดอารมณ์ไม่ดีขึ้นมาคุณเที่ยวไปเรื่อยครับฟังธรรมะแล้วรู้สึกสบายใจปล่อยวางได้มากจะถือว่าเป็นยาใจได้ใช่ไหมครับ ใช่ธรรมะก็คือธรรมะโอโสถเนีเยย่ออยยาเขายาที่รักษาใจปัญญาคือธรรมะมีธรรมะแล้วใจก็จะหายเครียดใจก็จะสงบโรคโรคต่างๆที่เกี่ยวกับโรกจิตนี่จะหายไปหมดถ้ามีธรรมะอยู่ในใจคุณอมัญญาครับก่อนนอนไหวพระสวดมนต์ทุกคืนพอล้มตัวนอนก็กําหนดพุทโธหรือสวดบทสั้นๆจนหลับไปรู้สึกตัวกลางคืนก็จะท่องวนไปเหมือนเดิม กลัวว่าวันที่เราเจ็บป่วยหนักๆแล้วจะลืมครับนี่ควรยังทํามากกว่า น, นั้นควรเวลาที่ตื่นขึ้นมาก็ควรยาท่องพุโทโธต่อไปท่องไปทั้งวันนะในช่วงไหนที่เราไม่ต้องใช้ความคิดกับการทํางานแล้วก็ใช้พุโทโธพุโทโธไปพุโทโธไปเลยคุณจันทวันโนครับช็อกโกแลตกินได้ในช่วงไม่เกินเที่ยงวันเหมือนอาหารใช่ไหมครับ คือช็อกโกลตนี้ถ้าไม่มีส่วนผสมที่เป็นนมหรือเป็นที่บเป็นส่วนผสมที่หรือเป็นส่วนของอาหารก็ถือว่าเป็นยาเป็นโอสถที่พระเจาอนุญาตให้ฉันได้หลังจากเที่ยงวันไปแล้วคุณถิงถิงครับข้าพเจ้าไม่ได้สวดมนต์แต่ฟังธรรมได้ไหมครับก็เป็นวิธีทํำความสงบได้อย่างหนึ่งแต่สู้อาจจะสู้การสวดมนต์ไม่ได้ แล้วแต่ก็ต้องดูผลที่เราว่าเราอันไหนป็นทำให้อาจารย์เราสงบกว่ากันคุณอนงค์หน้าถามว่าทำไมพระอาจารย์มีปัญญามากรู้แจ้ ง, งทางโลกและธรรมครับก็ต้องศึกษาศึกษาจากผู้ที่รู้แจ้งก่อนศึกษาจากพระพุทธเจ้าศึกษาจากครูบาอาจารย์ต่างๆอยู่กับท่านท่านก็จะคอยอบรมสั่งสอนพูดธรรมะให้ฟังอย่างื่อยๆเราได้ยินได้ฟังเราก็เอาไปปฏิบัติต่อ มันถึงจะเข้าใจลึกซึ้งถ้าฟังแล้วไม่ไปปฏิบัติมันก็ได้แต่ผิวเผินก็อาจจะลืมได้หลวงตาเทศบ่อยขนาดไหนครับอาจารย์ครับช่วงที่ท่านแข็งแรงช่วงที่เราไปยุคใหม่ๆนี้ท่านจะเรียกเทศเกือบห้าวันก็ังเรียกประชุมกันเลยต่อามาท่านก็เริ่มมีพระปัญหาทางด้านสุขภาพท่านเป็นโรหัวใจบางทีท่า น, นก็ไม่สะดวกที่จะเทศก็เริ่มห่างไป เป็นอาทิตย์บ้างสองอาทิตย์บ้างแล้วต่อ น, นั้นก็มีภารกิจเของคนยากยามากขึ้นมากขึ้นเวลาบางครั้งอาจจะทิ้งช่วงเป็นสอง ส, สามอาทิตย์ก็มีเดือนหนึ่งก็มีแต่ท่านในช่วงพ่อภาษาท่านพยายามจเทียนอย่างน้อยสอนอย่างน้อยอาทิตย์ละหนึ่งครั้งเป็นไปพระอาจารย์ครับเรามีแบบครูบาอาจารย์ที่เป็นรองหลวงตาช่วยสอนช่วยอย่างนี้บ้างไหมครับหรือว่าไม่มีใครสอนคนอื่นเลยครับเอ อาจจะสอนแบบไ ม, ไ, มไม่ไม่ไม่ไม่เป็นทางการถ้าเราไปขอคำปรึกษาจากท่านเนี่ยอาจจะไม่มีคนมาทําหน้าที่แทนหลวงตาเป็นครูอาจารย์ไป็นรูปเดียวในวัดอาจารย์ใหญ่นะว่าอาจารย์ใหญ่พ่อแม่ครูอาจารย์เราเรียกอาจารย์ใหญ่ว่าพ่อแม่ครูอาจารย์พ่อแม่ครูบาอาจารย์แต่เล็กสั้นๆเรเรียกพ่อแม่ครูอาจารย์อันนี้หมายถึงครูใหญ่ส่วนครูบาจะเป็นครูบาอ้าครับ ครูบาอันนี้ก็อันนี้ก็ถ้าอยากจะศึกษาก็ไปกาศท่านที่กุฏิแล้วขอกาดฟังธรรมจากท่านท่านก็อา จ, จะพูดบางทีบางองค์ท่านก็ไม่พูดท่านก็ไม่สอนเราไปฟังลองตาดีกว่าลองตาดีกว่ า, า, วาแน่นอนกว่าเป็นธรรมเนียมของวัดป่าเลยนะครับอาจารย์วัดป่าจะให้ขอขารับตอบครูบาอาจารย์มากังไม่กล้าร่วงเกินไมกล้าทำทำ่าครับป่าทําอะไรนี่ต้อง ตงให้ความเคารับรท่านทุกทกทุกอย่างทุกเวลาคุณอาวุดาครับความคืบหน้าที่ได้ฟังธรรมะจากพระอาจารย์ทําให้มีสติมากขึ้นออกจากทุกได้ง่ายขึ้นแก้ปัญหาได้ดีขึ้นใจสบายมีความสุขได้ง่ายกล่าวขอบคุณพระอาจารย์ครับสาธุฟัต้องกระดีใจด้วยคุณนกพวิทครับเป็นคนนอนหลับยากต้องทํำยังไงครับ พอคิดมากอยู่ความคิดสินอนหลับก็บพุโทโธพุทธโธไปอยา่าอย่าคิดคิดอยู่ความพุโทโธพุโทโธไปเดี๋ยวมันก็หลับข้ออ๋อครับผมนั่งสมาธิแล้วรู้สึกหิวน้ำคอแห้งแล้วต้องกลืนน้ำลายตลอดเวลาต้องแก้ไข ย, ย่างไรครับก็อย่าไปเกินเนี่ยปล่อยให้มันหิวมันเป็นความรู้สึกหรอกความจริงมันไม่ได้มันไม่ได้หิวหรือคอแห้งตามที่เราคิดหรอกเราคิดไปเอง คุณสราวุธบอกว่าคนที่ป่วยทางจิตตเวทโรคซึมเศรา้าวิตกกังวลเกิดจากความผิดปกติทางสมองใช่ไหมครับไม่ใช่เราเกิดจากการที่ไม่มีสติควบคุมใจไม่มีสติควบคุมความคิดเมื่อเลยคิดในเรื่องที่ทาให้ซึมเศรา้าวิตกกังวลขึ้นมาพอหยุดคิดได้อาการต่างๆนี้ก็จะหายไปคุณเอสพีครับ สภาวะจิตสงบคือจะมีแต่พุทโธ ท, ที่ท่องในใจเท่านั้นใช่ไหมครับหรือต้องบริกรรมพุทโธจนเราพุทโธไม่ออกถึงเรียกว่าจิตสงบครับคือถ้าการบริกรรมพุทโธนี้เพื่อนําให้ไปให้จิตหยุดคิดเพื่อให้จิตสงบในช่วงที่จิตยังไม่หยุดคิดก็ต้องพุทโธไปเลยไงเมื่อก่อจิตจะหยุดคิดพอหยุดคิดปั้มมันก็มีรู้สึกว่างไม่มีอะไรพุทโธก็จะหายไป คุณขวัญบอกว่าปีนี้ตั้งใจจะไปไปแต่ดับธรรมที่วัดยานะครับเชิญจ้ะสาวทคุณเฟียสครับสติเป็นสกิลของจิตใช่ไหมครับก็เป็นเป็นหนึ่งในความสามารถที่ควรจะมีคืออินทรีย์หรือพลระหา้าคือสัตธาสติสมาธิปัญญาวิรยิยะความเพียรถ้ามีสกิลห้าอย่างนี้ก็สามารถปฏิพันได้ คุณวีนาครับหากเพื่อนชวนไปเที่ยวควรใช้ธรรมะข้อใดในการไม่ทําตามใจครับก็บอกเกาตรงๆแต่ว่าตอนนี้เราเลิกเที่ยวแล้วเราเราเป็นคนธรรมะธรมโออยากจะปฏิบัติทานมากกว่าไปเที่ยวไม่ต้องไปเกินใจพูดความจริงให้เขาเขาจะได้ไม่มารบกกลัวเราเองคุณวิสิทธิ์ครับนั่งสมาธิโดนยุงรุมกัดกันกัดก้นครับผมควรจะอดทนนั่งต่อหรือควรย้ายไปที่อื่นครับ อ๋อก็ข่าวหน้าก็หาที่มันไม่มียุงเข้าไปได้สิกลางมุมเรืออะไรนอกจากว่าเราอยากจะทนเราพิสูจน์ว่าใจเรามีเอเบี้ขาทนอยู่กับการเจ็บปวดจากการถูกยุงกัดได้หรือไม่ก็ปล่อยให้ยุง่งนกัดไปเราก็พุโทโธพุโทโธนั่งสมาธิของเราไปคุณสุภาครับ การที่เราฝันเห็นคนที่ตายไปแล้วฝันเห็นคุณพ่อและแม่ฝันบ่อยมากแบบนี้เรียกว่าจิตปกติไหมครับหรือว่าวิญญาณคุณพ่อแม่ห่วงเราหรืออย่างไรครับเราเราเราที่ถึงท่านมากกว่าแล้วก็เลยฝันถึงท่านคุณเอสพีครับธาตุทั้งหกอวกาศสาธาตุคืออะไรใช่ท้องฟ้าจาั ก, กรวาลหรือเปล่าครับขออภัยอาจารย์ใช่ทองฟ้าจั ก, กรวาล ท, ที่ว่างทั้งหลายเนะถ้าไม่มีที่ว่างแล้วก็ไม่สามารถ มีที่ตั้งอยู่ได้นะเป็นต้องมีที่ว่างเฮ้เราจะเอาของวาวงบนโต๊ะถ้าเขาถ้าบนโต๊ะเต็มไม่ได้วยของต่างๆหมดแล้วก็วางอะไรไม่ได้แต่ท่านที่เรามีที่ว่างเราก็สามารถเอาดินน้ำมลไฟไปตั้งไว้ตรงนั้นได้เอาดวงดาวไปตั้งตรงนั้นได้เอาโวกอาทิตย์ไปตั้งตรงนั้นได้นั่นคืออวกาศสาัทธาคุณหมูครับเพื่อน บ้านสามีเพิ่งเสียชีวิตเขาดูแลแม่เดินไม่ได้ไม่มีลูกไม่มีญาติเลยเขาไม่มีอาชีพเงินออมมีน้อยมากช่วยชี้แนะการงานให้เขาสารพัดแต่เขาเริ่มอะไรไม่ได้เลยอ้างแต่ห่วงแม่แล้วเราก็เลยต้องวางเฉยเพราะเราทุกเองที่ห่วงเขาและอยากออกจากทุกนั้นแต่ยังกังวลว่าเราใจร้ายไปไหมทิ้งโอกาสที่ทําความดีหรือเปล่าครับถ้าเราช่วยอะไรเขาหน้าก็ช่วยไปมาก็จะได้บุญได้กุศล อยจาว่าถ้ามันสุดวิสัยทำไม่ได้แล้วก็ต้องความเฉยอย่าไปทุกข์กับเขาคุณองังหุ่นเปรี้ยวครับการพบความสงบโดยไม่นั่งสมาธิและเจริญปัญญาไปด้วยเป็นไปได้หรือเปล่าครับอาจารย์ยากยากถ้าเป็นไม่ได้มันก็จะเป็นป น, ปนานแล้วคุณก้องครับ ตอนกําลังจะนอนควรทําสมาธิจนหลับไปหรือไม่ครับเพราะเข้าใจว่าการทําสมาธิเพื่อให้มีสติแต่ทําเพื่อนอนมันไม่มีสติแต่ชอบมีคนแนะนําให้ทําสมาธิจนหลับไปครับอ๋อมันช่วยทําให้หลับง่ายเพราะมันช่วยช่วยหยุดความคิดแล้วถ้าเราอยู่ในท่า น, นอนมันสบายเนื้อสติมันก็จะหมดกําลังไปคุณโอเอซิสครับ ตอนนี้โยมอยู่ต่างประเทศจเจริญภาวนาทุกวันแต่ไม่เกิดอันิี้ส่งเหมือนตอนปฏิบัติที่เมืองไทยสถานที่ในการปฏิบัติธรรมสำคัญใช่ไหมครับมันก็มีส่วนเสถาที่นี่มันสงบมันก็จะทำให้การการปฏิบัติมันง่ายกวา่าสถานที่ที่ไม่สงบ คุณใบยกครับการที่ลูกไม่เพ่งโทษคนอื่นแต่ลูกพยายามปรับปรุปรงแก้ไขลูกเองและมองว่าคนอื่นเขาก็เป็นของเขาแบบนั้นเขาทำอะไรก็ได้แบบนั้นเราทำอะไรเราก็ได้แบบนั้นตรงนี้เพราะการ น, นั่งภาวนาะทาสมาธิใช่ไหมครับอันนี้เป็นเรื่องของปัญญาเข้าใจธรรมชาติของว่า ท, ท, ท, ท, ทุกสิ่งทุกอยางเป็นอนัตตาเขาเป็นของเขาอยู่อย่างนั้นเราไปเปลี่ยนเขาไม่ได้ คุณคุณเคียวครับตั้งแต่เริ่มทําสมาธิมาจนถึงปัจจุบันเวลาประมาณสองปีใจเย็นลงคือโกรดน้อยลงแต่ยังมีความไม่พอใจอย่างนี้พอจะได้ผลไหมครับก็พ<ว><น><ม>ยายามลดมันความไม่พอใจเกิดจากความอยากของเราลดความอยากลงแล้วความไม่พอใจก็จะน้อยก็จะน้อยลงไปเองให้ยินดีแบบยินดีตามมีตามเกิด เขาจะดีกับเราก็ได้เขาจะไม่ดีกับเราก็ได้ให้คิดอย่างนี้แล้วความไม่พอใจมันก็จะน้อยลงไปคุณชายเย็นครับนั่งสมาธิประมาณหนึ่งชั่วโมงแล้วปวดขามากจึงเอาสติมากําหนดรู้อาการปวดแทนกําหนดปวดแล้วรู้สึกตัวสั่นขาสั่นเหมือนตัวจะลอยแต่ก็ยังเอาสติมากําหนดรู้ในอาการเหล่านั้นอยู่อยากขอคําแนะนําพระอาจารย์ครับไม่คว ร, รอควรจะเอา อาสติให้อยู่กับกับอารมณ์ที่เราใช้ในการนั่งสมาธิถ้าเราดูรลมก็ดูรลมต่อไปถ้าดูได้ถ้าดูไม่ไหวก็เปลี่ยนมาเป็นบริกรรมพุทโธพุทโธดีกวา่าอย่าไปดูอาการเจ็บปวดเพราะยิ่งดูมันยิ่งเกิดความอยากให้มันหายแล้วมันยิ่งทําให้ปวดมากขึ้นทางใจขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งเน้นไม่ควรมอกจากว่าถ้าเรามปดูบเบกขาแล้วเราใช้อาการปวดนั้นเป็นอารมณ์ แล้วดูมันเฉยๆได้เลยไม่ต้องมีการละความความความทุกข์กับมันแต่ถ้าดูว่ามันยิ่งทุกข์ก็อย่าไปดูมันดีกว่าคุณวาราังคนาครับปกติจะเจริญสติอยู่เรื่อยๆมีวันหนึ่งคิดแก้ปัญหา ง, งานทั้งวันพอตื่นกลางดึกรู้สึกว่ามีแต่ตัวรู้ไม่มีร่างกายไม่มีลมหายใจไม่มีความคิดโล่งสงบเป็นอยู่ครู่หนึ่งอาการนี้คืออะไรครับกคืออาการสงบอาการสงบของใจ เป็นสมาธิคุณปา น, นารายครับการที่เราละความพอใจและไม่พอใจในโลกออกเสียได้ใช้แต่ประโยคนี้ในชีวิตประจําวันเพื่อเตือนสติตัวเองอยากพระอาจารย์แนะนําเพิ่มเติมครับก็อย่างที่เราจําได้เนนี่แหละตอนนี้เราพวกเราพยายามจะไม่ให้มีความพอใจและไม่พอใจแต่ว่าถึงเวลาเจอของจริงมันมันมันพอใจทันทีขึ้นมาเราก็ไม่รู้สึกตัวไมได้ ก็อยู่ที่ว่าเราสามารถรู้ทันใจเราหรือเปล่ า, าตอนนี้เรามองพอใจหนระือไม่พอใจหรือเปล่ า, าเรานั่งเฉยๆได้หรือเปล่าคุณอุมาครับพระอาจารย์บอกว่าทุกสิ่งเกิดจากธาตุหกดินน้ําลมไฟจิตธาตุและอากาศนั้นทุกสิ่งในโลกนี้ไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่มากแค่ไหนจะอยู่ใ น, ล, ล, ในลึกหรือนิลึกหรือสูงแค่ไหนลึกแค่ไหนก็ไม่เที่ยง รวมถึงตัวหนูด้วยคนในครอบครัวหนูทุกคนเป็นเพียงแค่สิ่งที่เกิดการปฏิสัมพันธ์ขึ้นจากธาตุทั้งหมดเมื่อสลายตายลงก็ไม่มีอะไรเหลือแม้แต่อากาศสายน้ําสายลมแสงแดดก้อนเมฆผู้คนสัตว์ทั้งหลายต้นไม้ทั้งหมดทุกอย่างมันเกิดดับทุกเวลาไม่มีอะไรเป็นตัวเป็นตนที่ยึดไว้ได้เลยหนูเห็นเช่นนี้ถูกหรือไม่ครับก็ยังยังมีเหลืออยู่ธาตุทั้งหกมันไม่หายไปเพียงแต่สิ่งที่มารวมตัวเป็น นั่นเป็นนี่มันมันหายไปเวลาธาตุทั้งหกมันแยกตัวกันไปแต่ธาตุทั้งหกก็ยังอยู่เหมือนเดิมมีอยู่เท่าเดิมอยู่เช่นร่างกายเราเวลามันตายไปส่วนประกอบคือธาตุที่บางล ม, มทำให้มีร่างกายนั้นก็ยังอยู่ต่อไปแต่มันอยู่แยกตัวกันมันไม่อยู่แบบรวมตัวกันคุณสิริวิทย์ครับ ฟังธรรมะหลวงตาเหมือนวิทยาลัยพลเล่มใหญ่ฟังไม่เข้าใจรู้แต่ว่าธรรมะของท่านบริสุทธิ์มากแต่ฟังของพระอาจารย์แล้วเข้าใจง่ายเหมือนพระอาจารย์ตัดเอามาเฉพาะส่วนที่จําเป็นต้องรู้แล้วพอไปอ่านธรรมะหลวงตาอีกครั้งคุณสูงครั บ, รบถ้าเวลาเรากราบพระรัตนตรยัยกราบครั้งที่หนึ่งพระพุทธนึกถึงพระพุทธทรูปกราบครั้งที่สองพระธรรมนึกถึงพระไตรปิฎ ก, กราบครั้งที่สพระสงฆ์นึกถึงพ่อแม่ครูอาจารย์อย่างนี้ถูกไหมครับ ไม่ถูรอกครั้งที่หนึ่งก็ถึงพระพุทธเจ้าเลยดูพระพุทธเจ้าเองผู้ที่มาตัดสรุปในโลกนี้คือเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะที่มาบวชมาเป็นธรรมณะโคดมแล้วปฏิบัติธรรมจบนบรรลุธรรมคือให้เราศึกษาชีวิตประวัติของพระพุทธเจ้านั่นเองให้รู้จักพระพุทธเจ้าว่าเป็นใครพระพุทธรูปไม่ใช่พระพุทธเจ้านะพระพเจ้าบอกเราไม่ใช่เป็นพระพุทธรูปเราเป็นธรรมมากกว่า ทำก็คือคําสอนนั่นแหละคาสอนของพระเจ้าเช่นพระสูตรต่างๆเวลาเี่เราเนึกถึงพระไตไปิฎกเราต้องนึกถึงพระสูตรเช่นมงคลเรามงคลเราสูตรเรารู้จักมงคลเราสูตรหรือเปล่ามงคลสามสิบแปดเป็นยังไงบ้างถ้าไม่รู้เราก็ต้องไปศึกษาให้รู้เราถึงยังถือว่าเราไล้การาบพระธรรมจริงๆต้องต้องศึกษาพระธรรมคำสอนและเวลากล่พระสงฆ์เราต้อง เข้าหาครูบาอาจารย์แต่ละรูปเพื่อไปศึกษาไปเรียนรู้จักท่านอีกทีหนึ่งการกล่าวนี้เป็นเพียงแต่เป็นการเตือนสติเราให้เราอยาอยู่ห่างไกลจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ตัวเองให้ยึดถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นครูเป็นอาจารย์ของเราคุณอัญมนเปรี้ยวครับในลำดับขั้นของพระสงฆ์ต้องยึดพรรษาและลำดับป ร, ริยนไหมครับถ้าในการนับนับถือสงฆ์อายุ อาวุโสหรือผู้สูงกว่าแล้วก็ดูอายุพรรษาคือค่ายบวชก่อนก็ถือว่าเป็นพี่ค่ายบวชที่หลังก็ถือว่าเป็นน้องน้องก็ต้องคารวพี่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ก็ต้องกราบพี่พี่ก็ต้องให้ความเอ็นดูเมตตาไม่อะไรก็สงเคราะ์แบ่งให้น้องเพราะพี่จะมีบาะนิมีมากกว่าน้องญาติโยมจะทํ า, าทบุญกับพระแกะว่าพระผ้าใหม่ะ พระๆพระเก่าก็จะมี ม, มีมีข่าวของเยอะกว่าก็ต้องเมตตาแบ่ให้นักบน้องน้องก็ให้ความเคารพกับพี่เชื่อฟังเพราะผู้บังบวัวก่อนถือว่ามีความรู้มากกว่าผู้บังบวัวที่นั้นก็ถือว่าผู้เป็นพี่สามารถสั่งสอนน้องได้น้องก็ต้องเชื่อฟังถ้ามีคําสั่งสอนที่ไม่ผิดจากทำพ่อวินัยอันนี้เป็นเรื่องของการการการมีความสัมพันธ์ต่อกันระหว่างพระสงฆ์ด้วยกัน เราดูที่ลำดับพรรษาว่าใครใครบวชก่อนบวชหลังแล้วเจอการที่บางทีไม่รู้ว่าใครบวชก่อนบวชเก็ต้องถามท่านบวชวันไหนครับผมบวชวันนี้ะถ้าถ้าเขาบอกว่ า, าเขาบวชก่อนท่าบวบวชก่อนเราแล้วก็ต้องกราบท่านแต่ถ้าเขาบวชทีหลังเร า, เร า, เ, ร า, เ, ราเราก็ไม่ต้องกราบท่านท่านต้องกราบเราเนื่องธรรมบี คุณเอครับระหว่างทําบุญตักบาตรหน้าบ้านกับทําบุญออนไลน์โดยการโอนอันไหนได้บุญกว่ากันครับนั้าเท่ากันนะถ้าเราทําบุญร้อยบาทนะจะตักบาตรหน้าบ้านแล้ ว, ลวทําบุญออนไลน์ก็ได้บุญร้อยบาทเท่ากันคุณกิษณาครับทุกข์เพราะปล่อยวางไม่ได้ควรคิดอย่างไรครับอาจารย์ก็หยุดคิดอย่ า, ยาไปคิดอะไรหยุดคิดถึงเรื่องที่ทําให้เราทุกข์พอเราหยุดคิดเราก็ปล่อยวางแบบชั่วคราวได้ ถ้าจะปล่อยวางแบบเท้าวางก็ต้องเห็นว่ามันเป็นอนิจจังทุกขงังอนัตตาคำถาสุดท้ายครับอาจารย์ครับนั่งสมาธิเราเห็นแสงกับเห็นองค์พระใสต้องกําหนดอย่างไรต่อครับก็นั่งต่อไปให้ดูดูอารมณ์ที่เราใช้เป็นเป็นเครื่องมือในการนั่งสมาธิอย่าไปสนใจกับแสงที่ปรากฏให้เห็นอย่าไปสนใจกับองค์พระใสใสอันนี้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราต้องการเราต้องการความว่าง ถ้ายัางถ้ายากไม่ว่าเราก็ต้องดูนมต่อไปหรือบริกรรมพุทธต่อไปขอโอกาสครับพระอาจารย์ครับวันนี้มีเพื่อนเพื่อนฟังธรรมอยู่ใน f a c e b o o หนึ่งพันกับสี่คนนะครับใน y o u ู u ห e ร้อยสาสิบสองคนในคลับเ o า s e เจ็คนครับรวมมีฟังธรรมด้วยกันพร้อมกันพันหก้อยสิบสาคนครับอาจารย์ครับขอนชิยชนดีกับท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านที่มีความสนใจในบทธรรมคาสอนของพระพุทธเจา้า หวังว่ า, าการฟังนี้คงจะมีประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยเพื่อที่จะนําออกไปปฏิบัติให้เกิดมากผลตามมาต่อไปการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงหัวาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพนิดเพจานาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเทอสาธุก็ขอลาคุณหมอและท่านผู้ชมผู้ฟังไว้เพียงเท่านี้ ถ้าไม่มีอะไรขัดข้องก็คงจะได้พบกันอีกเช่นเคยในอาทิตย์หน้าขออนุโมทนาอขอขอจำลองถอดขอลาไปก่อนไมวจะพูดเลยมาแล้วกราบขอบคุณพระอาจารย์ครับ <c oughs>